โมตตสัพควตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัสนโมตัสัพควตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัสนโมตตสัพคาวโตอรหัโต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 ส, สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคตฉามิพุทธังสรนังคตฉามิธัมมังสรนังคตฉามิธัมมังสรนังคตฉามิสังขังสรนังคตฉามิสังขังสรนังคตฉามิทุติยมปิพุทธังสรนัง ัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรานังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสรานังคัจฉามิตติยมปิพุทธัง สระนังคัจฉามิตติยัมปิพุธทธังสระนังคัจฉามิตติยมัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนงังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิ อิสรณคมนังนิธิตังอะมะพันเตพุทโธธโมสังโคกราบน้ำส ก, การพ่อครูด้วยความเคารพครับกราบหมู่สงเจริญธรรมสิกขาณ์และญาติโยมผู้เจริญในวิถีอริยธรรมทุกชีวิตเฉพาะผู้ปฏิบัติศีล8ในวาระนี้มีผู้ปฏิบัติศีล8ถึง42ชีวิต กอนมธนาสาธุจริงๆก็คือเป็นผู้ปฏิบัติอุโบสถศีลคือศีลแปดความแตกต่างระหว่างศีลแปดกับอุโบสถศีลที่ทราบกันมานั้นคือศีลแปดก็คือถือในที่ทั่วๆไปแต่อุโบสถศีลเนี่ยหมายความว่าไปพักค้างอ้างแรมที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมดังเช่นที่น้องกลุ่มอุโบสถมาถือศีลปฏิบัติธรรมนี้ด้วย ในช่วงที่ผ่านมาพ่อครูอาธิบายธรรมะเน้นยำ้ำเรื่องบุญและเรื่องกายบ่อยครั้งมากและดูจะเป็นเจตจำนงกิจจำนงหรือเป็นมโนสันเจตนาหารหรือจะถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้พวกเราได้เข้าถึงความหมายคำว่าบุญและกายยังถูกต้อง โดยพ่อครูพยายามบอกกับเราว่าจริงๆบุญเนี่ยคือสภาวะที่เป็นไปเพื่อการชำระกิเลสบุญไม่ใช่ขนมปังอุปมา ก, ก็คือบุญไม่ใช่ขนมปังที่จะตัดแบ่งแจกจ่ายให้กับคนนั้นคนนี้ได้บุญเป็นเรื่องที่ใครทำใครได้จริงๆก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับบาปนั่นแหละใครทำใครได้บุญไม่ใช่ขนมปัง เพราะฉะนั้นคําว่าบุญจึงเป็นคําที่ได้รับการกล่าวขานอยู่บ่อยครั้งเพราะครูมักจะพูดอยู่เสมอว่าบุญเป็นอาวุธอบุญเป็นอาวุธวุฒเป็นปืนบุญเป็นปืนพูดให้มันชัดๆบุญเป็นปืนไม่ใช่ขนมปังที่พูดไปนะบอกว่าปืนบุญเป็นปืนไม่ใช่ขนมปังจะเอาไปกินเข้าแต่จะเด็ก จำนวนมากชอบเอาขนมปังมาทำเป็นขนมปืน <c oughs> คือหมายความว่านําขนมปังเนี่ยมาทำเป็นปืนเล่นกันเนนะ <c oughs> เป็นของอะไรเรสมัยเด็กๆผมเอาขนมปังคือขนมปืนเนี่ย <c oughs> มาทำทีเป็นยิงเล่นใส่กันแล้วก็เอามากิ น, นประมาณนั้นเป็นต้น <c oughs> ผมฟังพ่อครูเทศว่าบุญเนี่ยเป็นเรื่องของอาวุธมิใช่เป็นเรื่องของผมก็คิดต่อว่าเอ๊ะ แล้วถ้ากูสลนเนี่ยซึ่งพ่อครูอ ธ, ธิบายว่ากูสนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทำคุณงามความดีนะบุญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอาวุธผมก็คิดต่อว่ากูสลนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของอาพรหรือหมายความว่าสิ่งที่จ ะ, อะสอนดีเป็นอารประมาณนั้นใช่ไหมครับ น, นแสดงว่าผมเป็นเครื่องแสดงเป็นเครื่องแสดงผมก็ พอจะเข้าใจต่อเนื่องจากที่พ่อครูอา ธ, าธิบายจึงมาถามพ่อครูเป็นเบื้องต้นก่อนเกรงว่าตนเองจะเข้าใจผิดและก็พูดผิดไปเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นอาวุธ <c oughs> ที่เป็นไปเพื่อการชาระกิเลสบุญเป็นสิ่งที่จะต้องทำสําหรับคนที่ยังไม่หมดกิเลสเมื่อทำไปสู่ภาวะสุดท้ายคือหมดจากกิเลสแล้วเนี่ยบุญก็ไม่ต้องทาอีกต่อไป แน่นอนบาปหมดสิ้นแล้วนะบาปหมดพร้อมกับบุญนะนะเท่าที่ฟังจากพรอครูเนะี่ยบาปเนี่ยจะหมดพร้อมๆ <ứng> กับบุญหมดเลยเจ้า ก, ก็มีหลักฐานยืนยันปาบุญยะปาปะปริกีโนเอวสิ้นไปแล้วดับหมดแล้วหมดไปแล้วปริกีโนทั้งบุ ญ, ท, บญทั้งบาปาสิ้นบาปบเพราะฉะนั้ น, นค น, นหมดบ า, บาปก็คือคนหมดบุญอ คนบดบุญไม่ใช่แปลว่าตายน ะ, จะเจริญเป็นเป็นคนที่จเจริญมาก <คน S 1> เพราะฉะนั้ น, นหมดบาปคือหมดบุญเพราะครูอธิบายว่าเฮ้ยบาปเนี่ยวิธีพิจารณาว่าอะไรเป็นบาปอะไรไม่เป็นบาปเพราะครูอธิบายว่าถ้าการกระทําใดที่เป็นการกระทําที่ผนวกกับกิเลสเนี่ยสิ่งนั้นถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าการกระทาใดที่ไม่ได้ผนวกหรือไม่มีกิเลสร่วมสิ่งนั้นไม่เรียก ว, ว่าเป็นบาป อ่ะตรงนี้ผมเข้าใจถูกต้อ ง, องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบาปกับกิเลสเนี่ยถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบาปก็คือกิเลสครับรผ ม, มบาปก็คือกิเลสกิเลสก็คือบาปดังนั้นความหมายคําว่าบุญที่พ่อครูอถธาิบายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่มีความลึกซึง้งวันนี้พ่อครูจะอาธาิบายต่อในความหมายที่เป็นการร้อยมาลัยไม่ว่าจะเป็นบุญไม่ว่าจะเป็นธรรมะในส่วนอื่นอะไรต่างก็ตามโดยเฉพาะคําว่านามกาย กระผมนำไปเขียนในหนังสือพิมพ์ว่านามกายเนี่ยคือจิตนามกายนี่คือจิตเพื่อที่จะนำพาเราท่านทั้งหลายไปสู่ความเข้าใจคำว่ากายเนี่ยยังถูกต้องทองแท้ว่านามกายที่แท้จริงเนี่ยคือจิตได้นำไปเขียนในหนังสือพิมพ์ความว่าเฮิมหึกฝึกทหารทวารห้า เรียนลึกศึกษาทุกพัรษะกําหนดรู้อารมณ์ทุกวาระตัดกิเลสเศษสวะมิเว้นวายด้วยรู้ตื่นลืมตาจิตกล้าสู้กับตัวกูอยู่เหนือมิเบื่อนายอยู่เย่าเฝ้ายามกับนามากาย ก, ายกิเลสตายจิตเกิดประเสริฐเอ่ยอคําว่ากิเลสตายจิตเกิดเนี่ยอันนี้นํามาจากคําของพ่อครู ที่พรอครูบอกว่าจริงๆโอปปาติกะโยนิเนี่ยก็คื อ, อจิตของเราเนี่ยเกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาเนี่ยหลังจากทำให้กิเลส ต, ตายไปแล้วโดยที่กิเลส ต, ตายกับจิตเกิดเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยทีเดียวคคือเป็นวาระเดียวกันเป็นขณะเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นความเกิดของจิตเนี่ยจึงเป็นความเกิดโดยเฉพาะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเกิดในวาระที่ ทำให้กิเลสตายออกไปจากจิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพ่อครูอถ ธ, ธิบายพระสูตรที่มีปรากฏในพัตติบีดกเล่มที่สิบหในรายการที่บ้านราษักคุณะสูตรักคุณะสูตรเข้าใจว่าพี่น้องของเราคงจะได้มีโอกาสติดตามอ่านอขอโทษติดตามฟังหรือบางทีอาจจะติดตามในส่วนนี้อยู่บ้างอาตมาได้มีโอกาสติดตามอยู่แล้วก็พบว่าพระสูตรนี้ ขออนุญาต ท, ทบทวนให้ท่านที่ไม่ได้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งที่พรอครูนาภัคคุณสูตรมานำเสนอจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งคำถามไม่ถูกต้องและพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขคำถามคือก่อนที่จะตอบเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแก้ไขคำถามก่อนเป็นต้นว่าถามถึงเรื่องคาว่าใครเป็นอะไร พระบุตรเจ้าถามมาตรัสบอกว่าถามแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องถามใหม่อย่าถามว่าใครเป็นอะไรให้ถามว่าเกิดเหตุสิ่งนี้ด้วยเหตุปัจจัยใดเช่นมีคําถามว่าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าถามแบบนี้ไม่ถูกต้องถามใหม่ให้ถามว่าเพราะเหตุปัจจัยใดหนอจึงมีเวทนา เพราะเหตุปัจจัยใดหนอจึงมีเวทนาและก็มีคำตอบว่าเพราะผัสสะเนี่ยจึงเกิดเวทนามีคำถามต่อไปว่าใครหนอย่อมทะเยอทยานพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีปรากฏในพระคัภีสูตรบอกว่าถามแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องถามใหม่เพราะเหตุปัจจัยใดเนาะจึงมีตัญหาในยะนี้น่าสนใจนะน่าสนใจ มีคําถามว่าใครหนอย่อมถือมัน่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถามแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องถามใหม่ให้ถามว่าเพราะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงถือมัน่นถ้าเราติดตามคําถามคําตอบให้ดีจะพบเลยทีเดียวว่าแฝงในยะที่ลึกซึ้งอยู่พอสมควรมีคนถามว่ามีพูดถามว่าอะไรนั่นแหละถามว่าใครใครใ ค, รใครแต่ละข้อเนี่ยถามว่าใครพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าอย่าถามแบบนี้ ให้ถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นผมได้ติดตามผักคุณสูตรตามที่พ่อครูอธิบายเนี่ยผมก็เลยมาคิดตามภูมิของผมเองเนะฮะว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามไม่ให้เราไปสนใจว่าใครแต่พระพุทธเจ้าพยายามให้เราสนใจว่าอะไรที่ทําให้เป็นอะไรถ้าใครอเนี่ยมันเป็นตัวตนบุคคลเราเขาขึ้นมา ครับผมถ้าใครเนี่ยมันหมายถึงตัวตนบุคคลเราเขาถ้าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแล้วครับใครเนี่ยมันหมายถึงสัตว์ตัวตนบุคคลถ้าอะไรเนี่ยมันเป็นภาวะเลยครับเนี่ยคือมันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกทีเป็นเป็นความละเอียดที่เราได้ศึกษาพระสูตรพูดก็พูดเถอะไม่เคยอ่านพระสูตรนี้มาก่อน เพิ่งศึกษาตามที่พ่อครูได้นำเสนอในรายการที่บรราัช่วงวิชาพุทธชีวศิลป์ก็ทําให้คิดว่าจริงๆเราท่านทั้งหลายน่าจะน้อมนำภาคุณสูตรนี้ไปเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติคือแทนที่จะสนใจว่าใครเป็นอะไรเนี่ยเรามาสนใจว่าอะไรทำให้เกิดอะไรและเราจะดับสิ่งนี้ด้วยการดับอะไรทานองนี้เป็นต้น Mm hmm. ก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์ในแง่ของธรรมะพระพุทธเจ้าจึงตรัสย้าแล้วย้าอีกว่าถ้าถามว่าใครเนี่ยใครเนี่ยถามผิดให้ถามว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยแต่ผมก็เลยเคยบอกกับใครหลายๆคนว่าเออถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาพูดฝากฟ้าฝากลมมาว่าเราเนี่ยมีความไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอย่าไปถามว่าใครคนพูด ให้ถามว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเขาพูดว่าอะไรจบจริงไม่จริงเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่าถามว่าใครคนพูดใครว่าฉันใครด่าฉันอั น, นอันนี้ผิดถ้าพระพุทธ เ, เจ้าจะนำเสนอประเด็นสอดคล้องกับพระคุณสูตรเนี่ยคือถ้าถามว่าใครมาว่าฉันเนี่ยอันนี้ถือว่าศัตรูด้วย<ะ>นเกิดศัตรูมันเกิดใครเก็ ครับผมเองเหรอมันเกิดศัตรูมันกิดแต่แต่าอะไรครับผมมันไม่มีตัวตนนะอะไรไม่มีตัวตนแล้วอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราหันกลับมามองตอนอะไรทำนองนี้เป็นต้นมีอยู่ประเด็นหนึ่งพ่อครูเทศในวันนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากที่พ่อครูบอกว่าจริงๆกามเนี่ยเราอย่าไปจัดการกามให้หมดนะเพราะว่ากามเนี่ยมันมีประเด็นแยกแยะเราอย่าไปจัดการกามทั้งหมด เพราะว่าธรรมกาโมก็แปลว่าความยินดีในธรรมเพราะนั้นความยินดีทั้งหลายเนี่ยมันมีความยินดีที่ดีด้วยจิงอยู่วิธีการจัดการกับกามนั้นเพาะครัวอ ธ, ธิบายว่าต้องจัดการหรือกำจัดลดแห่งความยินดีในกามจึงจะถูกต้องจัดการกับลดแห่งความยินดีในกามไม่ใช่จัดการจัดการกับกามทั้งหมด เพราะความในส่วนดีความยินดีในเรื่องดีเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ก็เหมือนกับเรื่องตันหาที่เราได้ยินพ่ อ, รอครูเน้นย้า อ, อยู่ยบ่อยครั้งเรื่องชั้นทะอะไรนันครับผมอาการของใจครับผมแม้กระทั<ม>่งท่า น, ท, านท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์ต เ, เวลาวันนั้นที่ได้มีโอกาสพบปะเจอเจอกับท่านเมื่อหลายปีก่อนที่วัดยาเวศสกวันสอบถามท่านว่า ท่านเจ้าคุณอาจารย์มีอะไรจะฝากเป็นธรรมะแกกระผมไหมครับท่านจ้าคุณอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตพระพรหมพุทธนาพรก็บอกว่าก็ฝากกุศลธรรมมาฉันทะนั่นแหละกุศลธรรมมาฉันทะคือคําว่าฉันทะเนี่ยมันมีทั้งกามาฉันทะด้วยและในขณะนี้ท่านจะคุณประยุทธ์ท่านบอกว่าฝากกุศลธรรมฉันทะก็คือให้มีความยินดีพอใจรักใคร่ในกุศลอะไรทํานองนี้เป็นต้น ในภักคุณสูตรเนี่ยมีอุปมาเกี่ยวกับเรื่องผัดสาหารมโนสันเกตนาอาหารและอาหารต่างๆอย่างน่าสนใจมากอย่างผัดสาหารนั้นมีรายละเอียดว่าเหมือนกับวัวถูกถลกหนังเวลาถูกลมพัดเวลาถูกแมลงไต่ตอมเนี่ยจะประสบกับความทุกขเวทนาเป็นอย่างมากในส่วนมโนสังเกตนาอาหารนั้นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงที่ไม่มีกวัน ลึกกว่าชั่วอบุรุษและเมื่อใครก็ตามที่รักสุเกลียดทุกข์รักตัวกลัวตายเนี่ยก็จะต้องหลีกห่างจากหลุมฐานเพลิงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นอุปมาที่ทําให้เราเห็นถึงความทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นอยู่พอสมควรโดยเพราะครูอธาาิบายว่าจริงๆอาหารเนี่ยเป็นเพียงเครื่องอาศัยไม่ใช่เพียงเป็นเพียงสิ่งที่เราจะต้องกลืนกินเพียงเท่านั้นเพราะมีอาหาร3ประการที่ปรากฏในอาหาร4ี่เนี่ย เราไม่ต้องกลืนกินไอ้ที่กลืนกินมีเพียงมีเพียงเกาลิงกะลาหารเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เก็บมาจากคําของพ่อครูในช่วงของการบรรยายที่บัรดาศซึ่งพวกเราอาจจะตกหล่นบ้างหรือไม่ตกหล่นแต่ก็อาจได้มีโอกาสฟังซ้าเติมในส่วนนี้อีกทราบว่าวันนี้พ่อครูจะอจธิบายต่อในประเด็นที่ ที่จะร้อยมาลัยคือหมายความว่าจะเป็นเรื่องกายก็ตามเรื่องบุญก็ตามหรือเรื่องอื่นๆใดๆก็ตามหากสิ่งที่ผมนำเสนอไปมีอะไรที่พ่อครูเห็นขัดตกบกพร่องจะซ่อมแซมแก้ไขก็ขอกราบนิมนต์ตามสมควรนะครับนามสการครับอ้าวทำไมต้องไปแก้ไขหรือว่ายังไม่ต้องไปเติมอะไรมาขึ้นใหม่ครับผมมาขึ้นใหม่วันนี้ตั้งใจว่าจะพูดรุมรวม แล้วก็จะร้อยมาไหลาเข้าไปเท่าที่เวลาจะมีที่จะพูดให้ฟังได้นะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า น, นั้นท่านสอนเรื่องรูปกับนามรูปคือสิ่งที่ถ้ามันเป็นตัวของมันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้ามันมีวิญญาณหรือมีธาตุรู้ของสัตว์โดยเฉพาะคนเข้าไปเกี่ยวข้องข้าว ก็เรียกว่า ก, กายนะมีธาตุรู้เข้าไปเกี่ยวข้องเขาเรียกว่า ก, กายก็จะเกิดเมื่อเกิดสัมผัสกันเป็นสองสิ่งก็จะเกิดเป็นสามเกิดใหม่เป็นวิญญาณเป็นธาตุรู้ธาตุรู้นั่นแหละที่เป็นตัวการใหญ่นะเป็นการตัวตัวการที่มันให้เกิดเป็นสัตว์และเป็นสัตว์ทางวิญญาณนะ ไม่ใช่สัตว์ทางร่างกายถ้าสัตว์เดรฉชานทางร่างกายเนี่ยมันเรียนไม่รู้แม้แต่คนที่เป็นอะเวนไนยสัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่มีภูมิที่จะมาศึกษาเรียนรู้มาเข้าใจในขั้นโลกุตระนี้ได้ไม่ได้จริงๆต่อให้มีความเฉลียวฉลาดในทางโลกียังไงยังไงนะยอดเยี่ยมเป็นอัจฉริยะเป็นปราดปานใดก็ ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สามารถจะรู้นะจะรู้ได้โดยพยัญชนะตอนนั้นน่ะไม่ข้ามเข้ามาหาความเป็นภาวะของนามธรรมที่เป็นจิตเจตสิกนะเป็นประมาทไม่ไม่เข้ามาได้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นภูมงคนมันเป็นของที่มันมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอันนี้มันีว่าเป็นอันนี้มันจะเป็นอันนี้อันนี้มาไม่ได้ข้ามมาไม่ได้มันไม่มีทางที่จะต่อมาได้เลย มันไม่มีตัวที่จะเชื่อมต่อขึ้นมาเป็นเวนยสัตได้มันต้องเสริมเหตุปจัจจัยที่ม่มีภาษาพูดและเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นตัวญาณปัญญาที่มันจะต้องเติมเติมจนกระทั่งถึงขีดแล้วมันถึงจะตอดติดและเชื่อมเข้ามาสูโ่ง <mortality> ง <covid> โ, ลโลกุตระได้พระเจ้าถึงตัดแบ่งโลกียะกับโลกุตระไะ้ยามทั้งกับพยายามเจนละเอียดละเอียด เ, เข้ามา เป็นโลกุตระโลกุตระนะท่านแบ่งรวมเป็นภาษาบุคคลเลยก็เรียกว่ามี9บุคคลสี่แล้วก็มีจุดจบไม่เรียกว่าบุคคลก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติอันสูงสุดเรียกว่านิพานบุคคลก็มีแปดนบุคคลจริงๆก็มี8ดโสดาปติมาไปถึงอรหัตผลนั่นแหละบุคคลไม่ต้องไหลนะ แค่ไม่รู้ก็ไปตามหาเรียนเ อ, เอาเองเอโซดาปฏิมาถึงอรหัตผลก็แปดกากับนิพานก็เป็นโลกุตระ9้าท่านก็แตกโลกุตระเก้านั้นออกให้เริ่มต้นเลยอีกเป็นโลกุตระ37โลกุตระ3าดนั้นมีเริ่มตั้งแต่กายองค์ประชุมของรูปนามกายในกาย แล้วก็ไปจบลงสูงสุดที่อุเบกขากายในกายไปจบสูงสุดอยู่ที่อุเบกขาเป็นฐานนิพพานเป็นนิพพานเป็นตัวที่กล้าลอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานพราะสร้างอุเบกขาให้เป็นเอเนนชาพิสังขารสมบูรณ์เป็นนิจังทุกฟังสัตตังได้น่ก็จบ โดยการสั่งสมโดยการปฏิบัติการตรวจสอบกันเสริมเติมให้มันแน่นให้มันจริงให้มันเป็นสิ่งนั้นจนถาวรทําด้วยอเนชาพิสังขารนี่แหละทาแล้วทําอีกทําอีกทําอีกทําแล้วอาเซวนาะภาวนาพระหุหล์กัมมังหรือทําทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันสั่งสมแล้เป็นอดีตอดีตอดีตอดีตอดีตอดีต like อดีตจนอนาคตก็อดีตเป็นศูนย์กิเลสไม่มีเดียวกัน แต่กุศลนั้นมีแต่เจริญไม่มีที่สิ้นสุดนะอะไรนี้นต้นซึ่งคำสอนพระเจ้านี่ทุกเลียมทุกมุมครบหมดครบหมดนะเพราะงั้นความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัตว์โลกในโลกพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สมบูรณ์แบบที่สุดละและทั้งก็ถ่ายทอดกันมาในวัตสงสารนี้ไม่รู้นับชาตินับ อ า, อายุไข่นับเวลานับไม่ทั่วหรอกเกิดวนวันนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ะตัดว่าท่านไม่รู้ที่เกิดเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่รู้พระพุทธเจ้าเริ่มต้นความรู้นี้เมื่อไหร่ไม่รู้สืบทอดมาจนกระทั่งทุกๆวันนี้นี่มันเกือบศูนย์ไปแล้วในเมืองไทยขออภยยัยจริงๆเลยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาอายุปูนี้แล้วอาตมาไม่ไว้หน้าแล้วพูดอย่างบังอาจเลยแหละนะว่า อาตมาต้องเอามาสืบทอดคืนมันศูญไปแล้วอะ่ะต้องบอกว่าศู์ไปแล้วเพราะอาตมาไม่เห็นความเป็นจริงของบุคคลและคําสอนที่สมบูรณ์แบบใดเท่าที่อาตมาค้นพบเท่าที่อาตมาพอที่จะรู้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีไม่เห็นมีหนึ่งไม่เห็นมีสอง อา ต, อตมาเห็นที่มีเห็นที่มีว่ามันไม่มีอาตมามีสิ่งที่เขาไม่มีอาตมาเห็นสิ่งที่มีว่ามันไม่มีแล้วอาตมามีสิ่งที่เขาไม่มีอาตมาก็เลยเอาสิ่งที่มีที่เขาไม่มีออกมาเปิดเผยสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเผยเองนี่ของเขามีแล้วอะ ไอสิ่งที่ไม่มีเนี่ยอาตมาก็เอามาเปิดเผยก็เป็นสินค้าใหม่น่าจะเรียกว่านวัตกรรมก็ได้น่าเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นในตลาดให้เลือกผู้ใดสนใจก็เอาผู้ใดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันของอาตมาไม่เน่าไม่เน่าอ่าควักออกมาทุกวันไม่เน่าอ่าใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรทิ้งกระดาเพราะอาตมามี ไม่มีไม่มีหมดนีไม่มีหมดท่านเริ่มต้นตั้งแต่โลกุตระความหมายแรกคือกายในกายกายคํานี้มันแปลว่าสิ่งที่มันชุมเงินเข้ามันรวมเันเข้ามันประกอบเันเข้ามันรวมกันอ่ะมันเข้ามาร่วมกันอ่ะเข้ามาร่วมกันอ่ะชุมเงินเข้า เรียกว่ากายองค์ประชุมได้ในสองสิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึ้นล้านๆ้ๆๆล้านสิ่งเรียกว่ากายและจะมีประเด็นหลักอีกกายนี่คือนามธรรมคือธรรมคือารู้ถ้าขาดทารู้ไม่มีกายอันนี้แหละเป็นความผิดพลาดของภาษาไทยไทยไปเอาคำว่ากายมาใช้ จนกระทั่งกายปแปล ว, ว่าสิ่งที่ไม่มีธาตุรู้กลายเป็นร่างข้างนอกไปอันนี้ก็เลยนี่แหละคือเป็นเครื่องหมายชี้บ่งให้อัตมารู้ว่าจบาศาสนาพุทธศูนย์เพราะไปเข้าใจว่ากายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปหมดแล้วไม่มีนามมาทำเลยจบเลย แล้วจะไปเรียนกายขตาสติจะไปเรียนอาณาปานาสติจะไปเรียนกายอีกไม่รู้กี่กายกายกายกายกายไปเปิดพจนานุกรมบาลีไทยดูเถอะคําว่ากายนี่มีกันเป็นไม่รู้กี่สิบจะถึงร้อยเอาก็ไม่รู้กายต่างๆที่ขยายความทั้งกับรูป ก, กับนามอีกเยอะแย ะ, ยะนะก็เข้าใจกันไม่ได้เข้าใจไม่ได้จริงๆเมื่อเข้าใจไม่ได้ก็จบ เข้าใจไม่ได้แล้วมันก็จะไปทำอะไรได้มไม่มีทางที่จะบรรลุทำอาตมาจึงบอกว่าเอออาตมาไม่ได้ไปใส่ร้ายไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเอาความจริงที่เห็นจริงนี่มายืนยันว่าศา ส, สนาพุทธ ม, มันสิ้นซากไปแล้วมันไม่มีตามที่อาตมาเข้าใจว่านี่ศาสนาพุทธนี่เนื้อแท้แกนแท้ของบุตรจารุกุตระ และอาตมาก็ขยายโลกุตระได้อธิบายได้ก็จะอธิบายอยู่ใครจนใจฟังก็เอาใครเห็นว่าใช้ได้ก็เอาใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรบอกแล้วข้ออาตมาไม่เน่าไม่เสียแต่ใครไม่เอาก็ไม่ไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้น้อยใจเสียใจใครไม่เอาใครเอาก็อนุโมทนาจะวันดีใจก็ได้ดีใจด้วยที่ใครเอาใครไม่เอาไม่เสียใจอาตมามันถุกดีใจมันก็ยังสุขมั่งเรื่องอะไรยังไม่โง่ถูกน่ะ กายที่นี้ขยายความลงฟังดีๆพระพุทธเจ้าสอนกายคตาสติกับอานาปานาสติสองคำเนีเพรพอเข้าใจกายไม่ได้ก็จบก็พิจายรณากายคตาสติแต่ๆๆร่างานาปานาสติก็ต้องบวกกายขาดกายไม่ได้แม่ที่สุดไปนั่งหลับตาพระพุทธเจ้าสอน เออคนที่เป็นหลงผิดเป็นนั่งหลงับตาอยู่ในป่าเนี่ยเขาในยุคโน้นมันนั่งนั้นเลยนั่งหลับตาอยู่ในป่าเขาแต่มันไม่รู้หรอกอะไรข้างนอกมันไม่รู้เลยพระเจ้าก็มาสอนค่อยๆสอนว่าเออถึงนั่งไปก็อย่าไปทิ้งนะอย่าไปทิ้งองค์ประชุมนอกนะรูปน้ำรูปมหาพุทธ ร, รูปก็มีดินน้ําไฟลมเพราะฉะนั้นนั่งหลับไปแล้วเนี่ยมันจะรู้อะไรมันจะรู้อย่างมากมันก็รู้ลมลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอย่าทิ้งนะอย่าทิ้ง กายต้องมีลมนะลมนี่ถึงเรียกว่ากายถ้าขาดลมแล้วไม่มีกายแต่ข้างในคุณจะเรียนก็เรียนไปข้างในก็จะต้องเรียนแม้คุณจะมีร่างข้างนอกมีดินน้ำไฟลมร่วมอยู่ด้วยสัมผัสอยู่เนี่ยตางกรบรูปหูกระทบเสียงอะไรคุณก็ต้องเรียนภายในนั้นด้วยภายในมีอะไรบ้างอาณาปานาสติกก็สอนละเอียดมันมีองค์ประชุม แล้วมันก็ปรุงแต่งกันอยู่เลยว่ากายสังขารเราก็ต้องรู้กายทั้งหลายในนี้กายสังขารประชุมด้วยรูปและนามสัพปกายะรู้ปฏิสั่งเวทีต้องรู้มันให้ครบนะทั้งกายทั้งนอกทั้งในรู้ให้พร้อมอยู่ด้วยกันเลยสัพผัสต่ำกันนี้ไม่ขาดกันเมื่อไหรกันแล้วแต่แล้วทําให้มันระงับเรียกว่าปัตสัมพยังกายสังขารัง ประเสริฐซ้ำพยายกายสักการะทำให้กายมันระ ง, งับทําให้องค์ประชุมเนี่ยองค์ประชุมทั้งหมดเนี่ยอะไรระ ง, งับเดี๋ยวค่อยไล่ลงไปเดฟังตามไปเลยเลยก็ให้มันระ ง, งับแล้วก็ต้องรู้ต่อไปเลยพอเราสามารถรู้กายแค่รู้กายนี่นะทะเรียนรู้ดีๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้กลายเป็นอย่างนี้เป็นต้นว่าอ่านก็ไปถึงนามมาทำและจับตัวนามมาทำได้ กายมันก็รู้ง่ายแหละลืมตาตาก็ทบรูปหูก็ทบเสียงอยู่จมูกกรทบกลิ่นนี้ก็ทบรสอยู่ขณะนี้เราจะไปเอาสัญญาไปกําหนดคุณกําลังกําหนดที่หูก็ฟังเสียงอาตอมากําหนดที่ตาพร้อมก็เห็นหน้าอาตอมาคุณไม่กําหนดกลิ่นคุณไม่รู้มีกลิ่นอะไรโชยมาใช่ไหมแต่ถ้าคุณกําหนดกลิ่นที่มันโชยมาคุณก็จะรู้ว่าแบบๆแบบแบบแบบเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเร็วมาพวกพระเจ้าตรัสบอกว่า ขณะที่คุณรู้รูปจริงๆนะเนี่ยคุณก็ไม่รู้ละเสียงขณะที่คุณรู้เสียงจริงๆอยู่เนี่ยคุณก็ไม่รู้ละกลิ่นเกิดอะไรก็อันใดอันหนึ่งนะมันละเอียดแล้วมันก็จะต้องเป็นอันใดอันหนึ่งแต่จะรู้เร็วๆเนี่ยรู้ก็แป๊บๆเไม่ละเอียดทีเดียวได้สองสสัจอย่างสํ า, สาอย่างได้เมื่อผู้ใดกําหนดอ่านเข้าไปถึงจิตจิตนะอ่านจิตนะ จับจิตได้ตัวนั้นเป็นจิตของตนเขาไปปั๊บท่านเรียกคำนี้ว่าสักกายเอเรียกตามบาลีก็ว่าสักกายะเรียกในไทยก็เรียกสักกายสักกะมันว่าของตนมันให้องค์ประชุมของตนองค์ประชุมอะไรบอกแล้วว่ากายนี่คือจิตนะรับรองว่าพวกป ร, ริญญาเก้านี่ฟังอัตมาแล้วคันหูเลย คันแน่นอนคันหัวใจไม่ใช่คันใ้หัวคันหัวใจเลยที่อัตมาบอกกายคือจิตอ ะ, อะไรว่ากายคือจิตเป็นไงนะเข า, าแยกกายแยกจิตกันยังไงดีแยกขาดกันด้วยเลยนะซึ่งมันนี่แหละมันบัรเลยตรงนี้มันจบเลยถ้าแยกกายแยกจิตขาดกันบรรเลยเลยกายขาดจิตไม่ได้กายถ้าไม่มีจิตกายมันก็ไม่มี ฟังดีๆเอาไปทวนกายถ้ามันขาดจิตแล้วขาดธาตุรู้แล้วมันไม่มีกายไม่มีเหลือเลยเพราะมันวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยออกจากร่างมันไม่มีกายมันมีวิบากนิบาศของจิตนั่นไปนิบากเหลือไปนะทีนี้พอรู้สักกายยะรักธรรมก็ให้พิจารณากายพิจารณานอกกายนอกกายมันมีเหตุมาจากอะไรก็รู้แล้ว ขณะนี้ตาเห็นได้ยินเสียงอะไรมันก็มาจากข้างนอกเข้าไปถึงข้างในคุณก็ตามเขาไปรู้ข้างในเรียกว่ากายในกายและกายในกายนี่แหละมันคือจิตเจตสิกจิตเจตสิกตอนนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเริ่มต้นมันเรื่องมันมีอะไรล่ะมันมีปิติก็ต้องรู้ว่าอาการปิติมันมีในใจถ้าคุณสามารถปฏิบัติจริงเริ่มเข้าใจและรู้ของจริงขึ้นมานี่นะแค่รู้สักกายคุณก็จะปิติ จะจยิ่งคุณรู้ใหม่ๆไม่เคยรู้เลยแล้วไม่เคยเป็นกหนดหมายว่าอ๋อไอ้นี่เองเหรอกายสักกายอันนี้เหรอจิตตัวนี้อย่างนี้เหรออาการจิตอาการลิงค์ขั้นนิมิตเราก็เครื่องหมายหมายเอาจิตตัวนี้ให้ได้อ๋อการกระทบตาเ็ากระทบรูปอยู่เนี่ยแล้วเราก็อ่านจิตองเรากระทบเนเออมันมีสภาวะอยู่ในใจเม็ดอาการอย่างนี้มันปุงแต่งกัน อยู่นี่นั้นเยอะเลยนะมันปรุงปรุงไปแล้วมันชอบหรือมันไม่ชอบแล้วก็รู้ซ้อนอยู่ในชอบหรือไม่ชอบแล้วก็อ่านตาแล้วก็เห็นอยู่นี่เออใช่มันมีอาการชอบไม่ชอบอยู่ตอนด้วยตอนนี้เห็นเห็นเหชอบไม่ชอบสูงขึไปกว่านั้นอย่าว่าจะชอบไม่ชอบเลยนะมันทุกข์หรือมันสุขนะมันทุกข์หรือมันสุขนอกจากมันชอบหรือไม่ชอบแล้วมันยังทุกข์อีกแล้วมันสุขหรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ ซ่อนอยู่อีกก็แยกทุกแยกสุขแยกชอบแยกชังอะไรออกไปได้อีกเยอะเลยอาการซ้อนอยู่ในกายในกายเพราะฉะนั้นอาการต่างๆนั้นคือเรียกเป็นภาษาว่าเวทนามันสุขมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์เข้าไปนั้นอีกและแต่ในเวทนานั้นน่ยมันสุขมันทุกข์มันมีเหตุอะไรมันถึงมีเป็นสุขเหตุอะไรมันถึงทุกข์มันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันถึงทุกข์ มีเหตุมีปัจจัยมาเรืงสุขอ๋อมันมีอุปท า, านอุปท า, านที่มันมาเคลื่อนตัวออกมาเป็นตัณหามันเดียวไปรตรงได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สเปคต้องอย่างนี้ถ้าไม่สเปคอย่างนี้ไม่ชอบสเปกอย่างนี้เป๊ะเลยชอบเลยอ๋อตัวนี้เองมันเป็นตัวที่กําหนดไอ้อุปทานานี่เป็นตัวกําหนดพอได้กระทบมันก็เกิดคตะเกิดความดําเนินไปเกิดการเคลื่อนที่เกิดปฏิกิริยา เกิดและคดตักดาเนินไปเกิดอะไรขึ้นกายคตะองค์ประชุมนี้มันเกิดเคลื่อนที่แล้วน ะ, ะกายคตะนี่คือ kinetic energy แล้วเป็นพลังงานเคลื่อนที่ขึ้นมานะมันแต่ที่มันจะจมนิ่งไม่รู้ไม่ชี้อะไรนิ่งไม่รู้เรื่องอยู่เดียวเดียวเดียวใ ด, วดไม่กระดุกกระดิกไม่เป็นอะไรอยู่เฉยๆแล้วตอนนี้เคลื่อนที่ขึ้นมาเคลื่อนที่ขึ้นมาปั๊บ ถ้ายิ่งมีตัวเหตุปัจจัยเข้ากระทบสัมผัสเข้าเป็นเรื่องเลยตอนนี้ชอบหรือชังสุขหรือทุกนอกจากชอบหรือชังไม่พอกระสันตันหายากเอาแย่งชิงแล่นเข้าไปถึงขั้นแย่งกันทำลายกันทำลายกันฆ่ากันแกงกันจนได้มาเพราะคนนั้นมันตายแล้วมันแย่งไม่ได้แล้วได้สิทธิ์แล้วถึงจะสำเร็จ ลันก็เป็นอย่างนั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นในเวทนามันก็มีจิตวิเจตสิกอาการของจิตเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาจะสุขจะทุกข์ก็เพราะจิตมันเป็นตัวราคะหรือโทสะก็ไปรู้จิตในจิตอีกเป็นสาราคะสสะโทสะสะโมหะเข้าไปอีกก็จับตัวเหตุได้จริงๆเลยตัวนั้น ถ้าในจิตของคุณมันไม่มีจริงๆเลยมันไม่มี prints. ตัวนี้มันก็เป็นธรรมะที่ว่างเปล่าจากตัวนี้ตัวเหตุที่มันจะต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอุปทานตัวเนี้ยมันไม่มีมันก็ไม่ไม่ไม่มีคาว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีทรงไว้อยู่ในจิตของเรามันก็ไม่มีอะไรทรงอยู่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรมีอยู่มันไม่ได้เป็นอยู่มันไม่มีม <fal is> <iempo> ธรรมะมันก็ไม่มีเพราะธรรมะนี่มันก็ไม่มีเมื่อธรรมะก็มีจิตมันก็ไม่มีมันเป็นเวทนามันก็ไม่มีมันมาเป็นเหตุให้เวทนาต้องสุขต้องทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์พักยกแต่ถ้ามัไม่สุขไม่ทุกข์ไม่พักยกเป็นเนขมะสิตาอุเบขาเลยมันไม่สุขไม่ทุกข์เพราะมันดับเหตุไม่เหตุไม่เกิดอีกเลยนั่นอันนั้นสมบูรณ์แต่นี่คุณยังไม่ได้ไปฆ่าเหตุอย่างแท้จริงมันพักยกเท่านั้นเอง แต่คนไม่รู้และไปหาวิธีให้เป็นพักจกดื้อเป็นนั่งหลับตาไปทิ้งไปคว้างไปทำเมินๆไม่เอาใจใส่ไม่เกี่ยวไปก้องอะไรไปเฉยๆเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้จัดการกับเหตุนี้เมื่อไม่ได้จัดการกับเหตุนี้มันก็อยู่มันอยู่งั้นเนี่ยยาวไาจะล้านปีเลยล้านล้านล้า น, าน้านปีมันก็อยู่เพราะมันแน่ยิ่งกว่าไวรัสไวรัสอยู่เป็นล้านปีนะนี่เขายังจะเอา เจรลสิก uh, อะไรนะจรลสิกพัคไอ้พวกนี้เขาจะเอาขึ้นมาอยู่เลยมันอ ย, อยู่กี่ล้านปีมาแล้วอะมันตายนะไอ้นี่มันแน่กว่านั้นอีกทนทานกันาดนี้อีมันอยู่ได้นานกันาดนี้อีกเอาหนี่จริงเลยจริงเลยไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าว่าเราก็ไม่ไปอะไรน่ะต้องหาปัจจุบันนี่เลยมีกระทบมีผดสะ พ้อนประสาทนี่มันต้องมีนามด้วยเพราะฉะนั้นในความหมายพระเจ้าเี้ยบอกว่านามมันมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิกาเนี่ยครบแล้วเพราะฉะนั้นคุณมีเวทนาขันสัญญาขันส่วนสังขารขันนั้นท่านแจกว่าเจตนาผัสสะมณสิกานี่เป็นตัวปฏิบัติคุณต้องมีวิภพสัตมโนสัเจตนาตัววิภวัตตันหาเจตนาจะไม่เห็นมันมีภพแล้วก็มา ปฏิบัติตรงนี้การปฏิบัตินั่นแหละคือมนุษยการการจัดการการทำทำให้ไม่ได้ที่ใจเ้าเนี่ยแล้วใจเราจะจับได้วิญญาณที่จะเกิดขึ้นมาปั๊บมันไปเป็นตัวหลัดหัดหลัดเลยเนี่จับได้หลัดหัดคาหนังคาเขาเลยเนี่ยคาหนังคาเขาเลยจัดหลัดๆลัดเกิดอยู่เดี๋ยวนี้นี่นี่นี่กระทบเดี๋ยวนี้หยางเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่จับโจร เอง็งกระทบเดี๋ยวนี้เอ็งอยากเดี๋ยวนี้เอ็งจะเอาเดี๋ยวนี้หรือเอ็งจะไม่อยากเอ็งจะทำร้ายเดี๋ยวนี้เอ็งจะฆ่าคาจะขจัดมันคุณไม่ชอบคุณชังคุณจะทำร้ายมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รัดดัดเลยโอโ้ยิงกว่าตำรวจยิงกว่าตำรวจใหญ่เลยนะเนี่ยจับคาหนังคาเขาเลยํานวนไทยเรานะจับคาหนังคาเขาได้เลยรัดั พันวิธีการนุบพระจ้าทุบต้องมีผัสสะและวิญญาณจะเกิดแล้วก็อ่านไปในวิญญาณหรือจิตนี่แหละวิญญาณในจิตนี่อาการมันเกิดวิญญาณนี่เกิดเป็นปัจจุบันจิตคือภาษาเป็นเป็นสามาัญานามเป็นคำวาแนวมันเป็นองรวมเป็นความรวมคำว่าจิตนี่รวมรวมหมดวิญญาณนี่เป็นพระพนาจเฉพาะตัว นี่มันเกิดทันทีเห็นมันได้อย่างนี้แหะสั ก, กายตัวนี้วิญญาณจิตนะสักกายเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยมันเกิดมาละัดตอนนี้โจกระดึงจับวิญญาณผีได้มันเป็นวิญญาณผีมันเป็นองค์ประชุมของกายกะลิแปลว่าไอ้ตัวโทษตัวนักโทษใหญ่กายกะลิ ก, กากะลีะมันเป็นเพชรปะหุพ์ไป ก, กาัลินี้ตัวนี้ของเรากําลังเห็นโดยนี้ของเราเองไม่ใช่เปพูดพ่นไม่ใช่ของคนอื่นอย่าไปยุ่งคนอื่นเขากายกัลลิตัวเนี้อ่าน ไ, ได้ทันทีคุณก็จัดการกับตัวนี้จัดการกับตัวนี้เรียกว่ากายในกายซึ่งมันเนื่องมาเป็นอาการต่อมาเป็นเวทนาเป็นจิตจนกระทั่งจากสิ่งเหล่านี้รวมๆแล้ ว, วแยกเข้าไปเจาะเข้าไปจนกระทั่งจับตัว อาการสำคัญคือมันมีราเป็นอาการราคะหรืออาการโทรสะได้ก็กําจัดอาการนี้ให้หายไปเรียงว่า ม, มันมีชีวิตเป็นชีวิตรูปเป็นชีวิตจินซีจินซีก็คือดีกรีของมันน้าหนักของมันหนักเบามากแรงอะไรก็แล้วแต่หรือเบาหรือแรงนี่เนี่จัดการลงไปวิธีอง์ท่านก็คือหนึ่งรู้มันให้จริงว่ามันไม่จริง รู้มันให้จริงว่ามันไม่จริงรู้มันให้จริงว่ามันมันตัวปลอมมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีตัวตนแต่มันมาไม่ใช่มันที่ไหนละกูนี่แหละหลงโง่ว่ามันมีตัวตนไม่ใครเลยตัวเองไงแหละไม่รู้จะโง่ไปถึงไหนมันไม่มีตัวตนจริงๆต้องยืนยันพิสูจนว่าพิสูจน์ยังไงก็มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดการมันไม่เที่ยง คุณยึดมันอยู่มันก็มาไม่ยึดมันมันก็ไม่มาจนกระทั่งเราพยายามที่จะไม่ให้มันมาแม่มันไม่ให้มันยึดโดยวิธีรู้นะแม้จะวิธีไปลืมวิธีข่มมันไม่ให้มันขึ้นมาขึ้นโดยกระแทกด้วยมีปัสสะกระแทกให้มันขึ้นมาด้วยของพระเจ้าทั้งกลับกันกับทางฤาษีทางที่กจะกฎไว้แต่อันนี้ท่านขึ้นมาเลย ขึ้นมาแล้วก็จะต้องพยายามรู้ด้วยปัญญาให้จริงว่าไอ้พวกนี้มันทรมานคนมันนานับชาติเรียนจริงๆเลยจนเราจะเกิดญาณปัญญาของแต่ละคนเห็นเองนี่แหละโอ้ป่วยการมันไม่เที่ยงมันพาทุกขมันเป็นภาระก็ไปหลงมันมีอยู่นี่มันก็มีอาการที่เราติดยึดว่ามีนี่แหละมันมีเราเนี่ยแหละ เพราะคำว่ามีหรือไม่มีนี่แหละเป็นอาการสองอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรปฎกเล่ม16บหข้อสีมเนี่ยอาตมาจำได้ในข้อ43มนี่เล่ม16อาตมาติดมืออยู่นี่ขาดกระลุ่มกระลิงหมดแล้วพระธริฎกเล่มนี้่ะใครเขาเข้าไปซีลอกมาให้แล้วละ่ะแต่ว่าอาตมายัางรู้สึกว่าคำไอ้เล่มนี้มันเป็น เ, เป็นแอดจิกที่ดี ก็เลยใช่อยู่นี่เนี่ยข้อสี่สิบสามเนี่ยไอ้เรื่องมีไม่มีนี่แหละนะโลกนี้โดยมากอาศัยสองอย่างคือความมีความไม่มีสราบซึ่งจะไม่จะสราบซึ่งกันบ้างไม่วันนี้นี่แหละติดอยู่ที่ความมีความไม่มี ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วเห็นความเกิดแห่งโลกวควา ม, มุนเวียนที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยด้วยความเป็นจริงอ่ะมันก็มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละคนนั้นน่ะเห็นชัดๆเลยว่าอ๋อถ้าความเกิดอยู่นี่นะท่านไปแปลความความเกิดแห่งโลกคือไม่มีเหตุ ภาษาบาลีว่าโลกสมุทไทยแลวท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าความเกิดแห่งโลกก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรแต่ไปเอาโคลนมุมมาแปลเท่านั้นเองไม่ผิดความเกิดแห่งโลกหรือความเกิดที่ยังมีสมุทไทยบาลีตัณฑ์โลโลกกับสมุทิยะคนที่เห็นความจริงว่า ไอ้ที่มันมีเหตุอยู่หรือมันยังวนอยู่ความเกิดแห่งโลกก็คือมันวนอยู่นะั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมันไม่อยากจบเนี่ยหมุนไปกับหมุนมาไม่เกิดกลับไปไม่กเกิดเกิดกลับมาอยู่เงี้ยนะอันนี้แหละคือใครเห็นแล้วว่าจริงๆมันเห็นว่ามันไม่มีในเราความไม่มีในโลกย่อมไม่มีก็ต้องเมาทุกคน ความเกิด เ, เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกย่อมไม่มีก็ต้องก็ต้องงงทีคนก็ต้องเม า, เาแล้วมันอะไรไม่มีกันแน่ว่าความไม่มีในโลกไม่มีเพราะว่าคนที่จะไม่เข้าใจว่าความไม่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าความวุ่น หรือความไม่มีสมุดไทยสมุดไทยมันไม่มีแล้วเมื่อความวุนมันก็ไม่มีสมุดไทยมันก็ไม่มีก็นี้แหละย่อมไม่มีใช่ไหมเล่าไม่มีอะไรไม่มีสมุดไทยไม่มีอะไรไม่มีความวลนไม่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกนี่ผู้นี้จบอยู่ในความไม่มีแล้ว เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกโลกโลกนิโรธะโลกนิโรธาท่านใช้บาลีตรงๆกับคำนี้โลกนิโรธะเมื่อบุคคลใดเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีเมาสิ เมื่อผู้ได้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้มันดับแล้วดับดับความวุนอย่างพิวาเมื่อกี้นี้ดับเหตุแล้วน่ะมันไม่มีละทำให้ไม่มีในโลกนี้ได้ละคุณยังอยู่ในโลกนี้แต่คุณก็ทำให้ไม่มีในโลกนี้ได้แล้วน่ะเมื่อคุณสามารถทำให้ไม่มีในโลกได้แล้วมันก็ไม่มี เพราะฉะนั้นก็ทั้งมีอยู่ก็รู้ทั้งไม่มีอยู่ก็รู้เพราะเรายังมีอยู่เราก็เห็นความมีแต่เรานั้นไม่มีทั้งนั้นนะ่ะคุณจะมีเราก็ไม่มีคุณจะไม่มีเราก็ไม่มีเพราะเราเราะไม่มีเราเป็นตัวหลักอ่าเพราะงั้นการคาดคะเนตามบัญญัติมันก็สับสนหน่อยเว้ยแต่คนที่มี พยัญมีสภาวะจริงแล้วก็จะรู้นะคนที่แม่ผู้ไปจะไปพาดพิงเขานัานเนี่ยเอาน่าพาดพิงก็ได้คนที่เป็นกระเทยกระเทยติดยึดในรูปรถกินเสียงสัมผัส พ, พวกนี้ติดยึดในสิ่งต่าง ๆ, ๆพวกนี้ เขาติดเอามากจนกระทั่งเขาจะลึกถึงความไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราอธิบายความไม่มีเนี่ยเขาจะเข้าใจยากเพราะสภาวะความไม่มีมันไม่ได้แต่คนใดที่ไม่ถึงขั้นที่มันติดลึกขนาดนั้นแล้วเนี่ยเออมันก็จะพอฟังรู้เรื่องนะยิ่งเรามีสิ่งที่เราไม่มีแล้ว บางคนไม่ติดในรูปชนนี้แล้วไม่ติดในเสียงชนนี้แล้วไม่ติดในรถชนนี้แล้วพอพูดแล้วอ๋ออย่างคุณไม่ติดลิปสติกผู้ชายผู้หญิงบางคนก็ไม่ติดกระเทยผู้ชายที่ไม่ใช่กระเทยนะไม่ใช่พวกนั้นนะไม่ติดล้ลิปสติกเราไม่เคยเกิดจิตว่าเราจะต้องไปยินดีในลิปสติก มันอะไรไหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กินเหล้าเนี่ยเนของผู้ชายผู้หญิงไม่กินหรอกเหล้าเขาก็ไม่เห็นจะต้องไปเอามากินทําไมเพราะรสเหล้าจริงๆมันเฟื่อนนะมันบาดนะมันแสบร้อนเหล้าอะยิ่งมากดีกรีตัวอะไรยิ่งชัดเจนเลยมันร้อนนะ่ะ บางอย่างเราไปปรุงแต่งอะไรก็ไม่รู้รสเฝื่อนเะเถอะแต่คนมันชอบไอ้เฝื่อนเท่าไรนั่นเลยชอบโอ้โหมันจ้ำจอดเลยอะไรเงี้ยมันหลงอย่างนั้นจริงๆริคนที่หลงติดมากๆที่จัดจ้านเท่าไรแล้วก็โอ้โหคนอื่นรับยากแต่เขายิ่งชอบแล้วเขายิ่งโอ้หูยิ่งเต็มที่เลยนะมันก็หนักอาการมันหนักแก้ยากคนตรงนี้นะ เอาละตรงนี้มันเป็นจุดจบที่มันยากที่จะอธิบายนะอาตมาตั้งใจจะขยายให้มันเป็นร้อยมาลายกว้างกว่านี้เข้ามาสู่คำว่ากายในกายใหม่เปรียญในโพธิปักเกียรธรรมี่กายในกายในโลกุตระ3าเนี่ยขึ้นต้นกายในกายลงท้ายอุเบกขาคุณต้องพลุบไปถึงมักองแปดนะ มือมักองแปดและสร้างสมาธิด้วยการมีองค์ประชุมของอาชีวะกรมมตะวาจาสังคปะแล้วคุณก็เรียนรู้จ ก, กรรมทั้งสี่เนี่ยจนกระทั่งอยู่กับกรรมทั้งสี่อยู่กับกายทั้งหมดที่สัมผัสแต่ต้องอยู่ทั้งรูปนามข้างนอกข้างในทั้งหมดเลยนะอจชตังอรูปสัญญี เอโกพหิธารูปานิปัสสติจงเห็นในหมดเลยสัมผัสอยู่ทั้งนอกทั้งในนี่เข้าใจหมดจนกระทั่งทำให้กิเลมันลดลางสรุปนี่ก็ขอรัดก็ไปสู่จนกระทั่งคุณทำให้กิเลมันเนคขมะอุเบขาเนคขมะสิตะอุเบขาเวทนาได้แล้วฐานนิพพานกลางหมดละเป็นสัมมาสมาธิตัวสุดท้าย หรือโพธชงตัวสุดท้ายอุเบกขาสัมโพธิชงสมาธิสัมโพธิเอสมาธิจริงๆของมรรคองแปดหรือฌานตัวสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาฌานที่สี่มันก็ตัวนี้อุเบกขานี่แหละและอุเบกขาเนี่ย เมื่อเวลามันอุเบกขาแล้วจะตรวจสอบอีกเป็นอรูปฌานมันก็อุเบกขาที่แข็งแรงตั้งมั่นสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างถ้าเข้าใจว่าอารูปฌานสี่นะัมันเป็นตัวตรวจสอบตรวจสอบต้องปฏิบัติอรูปฌานสี่ตรวจสอบไปห้หมดให้แน่ชัดเลยว่าไม่มีเศษเหลืออะเซสไม่มีเศษเหลื อ, ออีกแล้วอย่างแท้จริงจึงจะสมบูรณ์แบบนะ เพราะในช่วงกลางระหว่างโพธิชงเจตนี่แหละให้เรียนรู้กายขตาสติกับอาณาปานาสติแยกกันไม่ได้นี่เงื่อนไขหลักใครแยกอาณาปานาสติกับกายคตาสติออกจากกันหมดหมดทางหากินนิพพานถ้าคุณจะไปหานิพพานไปหาจากที่ไหนก็ไม่ได้หมดทางหากินและนิพพาน ไม่มีส่วนนี้ให้แยกกันไม่ได้เพราะทุกวันนี้ในอาณาปนานสติก็เป็นนั่งหลับตาแล้วกายก็ไปเข้าใจว่าร่างข้างนอกแยกกันเด็ดขาดพอกายขับตาสติก็ไปนูน่นกายขับตาสติก็ไปอิริยาบถอย่างเนาะก้าวเนาะเดินเนาะนั่งเนาะนอนเนาะเป็นอิริยาบถหยาบไม่เข้ามาหาจิตเลยจบเกมไปไม่ออก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกองค์ประชุมเรียกว่าการคุณจะต้องมีครบเลยตาหูจมูกลิน้นกายดินน้ำไฟลมมหาพูตธ ร, รูปสี่มีภาษาทรูปอีก5้ามีโคจรรูปอีก5ามีตาหูจมูกลิน้นกายข้างนอกหรือข้างนอกกระทบสัมผัสกันกับไอ้ทต่างๆทงั้งหมดเสร็จแล้วคุณก็มีใจเป็นตัวรู้ตัวกลางสามารถรู้ รูปมาเป็นอะไรมาเป็นภาวะรูปเป็นอิทธินีแล้วก็ทำให้เป็นปุริสินีให้เป็นเอกให้เป็นเอกให้ได้ให้เป็นกายอันเอกให้เป็นกายอันเอกเรียกว่าเอกกายหรือเอกกับปุริสะเอกกับปุริสักคือเอกกับบรุษ เป็นคนสูงสุดประเสริฐสุดนีไ่ได้เป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราจะบอกสภาวะตามตรงนี้ไปพูดง่ายๆว่าวอิทธิเป็นหญิงบุรุษเป็นชายมันก็เป็นสื่อสื่อสภาวะถ้าเป็นบอกว่าไปยึดถือตัวตนบุคคลคนผู้ชายคนผู้หญิงจะต้องมีสภาพเสมอภาคกัน พระพุทธเจ้าจะไม่ว่านะเสมอภาคกันในส่วนที่เสมอภาคได้เช่นพระอนนท์ทวงพระพุทธเจ้าว่าจะให้ผู้หญิงบวชเนี่ยทั้งท้งที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันไม่เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําลายให้ผู้ชายหรือให้ศาสนามันเสื่อมพระอนนก็เอาประเด็นว่าแล้วสามารถบรรลุอรหันต์ได้ไหมล่ะผู้หญิงอ่ะพุทธเจ้าก็จานวนต่อสัจจะว่าได้ได้ก็ต้องให้เขาบวชที่ ก็ปฏิบัติดิพะพุทธเจ้าก็ยอมศักจากก็ยอมแต่ต้องมีคารุคารุธรรมอีกนะแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอีกเยอะนะสําหรับผู้หญิงนะเพราะมันเป็นตัวเคลื่อนอยู่ยังไม่จบยังไม่หยุดจังไม่สนิทตัวปุริสภาวะนี่มันหยุดสนิทเลยนะหยุดแล้วไม่เคลื่อนอีกได้เลยมีพลังงานทั้งรู้ๆทําให้ไม่เคลื่อนเลยได้มีพลังอมตะ ไม่ให้เกิดตายต่ออมตะ บ, บุคคลเมื่อผู้บรรลวุวิมุตต์แล้ววิมุตถึงแก่นแล้วเป็นอมตะแล้วยังลงสู่อมตะอมตะเป็นอกคาาแล้วยังลงสู่จิตอย่างลงความเป็นอมตะถ้าจะหยุดเป็นบุรุษ ต, ตลอดกาลนานๆเลยไม่ขยับขยื่นเลยก็ได้จะขยับขยื่นก็ได้นะ เพราะฉะนั้นจะเท่ากันโดยสภาวะทำไม่ได้แต่บุคคลถ้าเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายเอ้าเป็นอรหันต์ได้ก็ยกไว้ซึ่งความเป็นตัวสัตว์โลกตัวร่างกายตัวรูปรูปกายไม่เท่ากันหรอกแต่นา ม, มากายนั้นเท่ากันได้เพราะฉะนั้นองค์ประชุมของกายข้างนอกนั้นไม่เท่ากัน แต่นามกายทําไม่เท่ากันได้ทําไม่เท่ากันได้ดังที่ท่านสอนในนี่แหละในอาณาปานาสตินี่แหละอาณาปานาสตินี้ทําเรื่องของใจโดยตรงอาณาปานาสติคือโพชฌงเจตกายคตาสติคือมัดองแปะ เป็นองค์ใหญ่ปฏิบัติไปเลยทั้งอาชีพอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปแม้จะเป็นชิ้นๆก็ยังต้องการอยู่ <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นคำว่ากายนี่คือองค์รวมทั้งหมดขาดนามไม่ได้ยำแล้วยำอีกขาดนามมาทำไม่ได้ขาดจิตไม่ได้แม้แต่จิตกับจิต แม้แต่จิตกับจิตยังเป็นกายได้เลยนมามกายนะโดยสัญญากำหนดอยู่เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเลยคุณดับตาหูจบูลิ้นกายไปแล้วตายไปแล้วหรือถูกฉีดยาสลบไปแล้วจิตคุณก็ปรุงุณก็อะไรอะไรได้อยู่สุขทุกข์ได้อยู่ว่าอะไรอะไรต่างๆนานาอยู่ข้างในได้อยู่เลยนะ ไม่ต้องมีเกี่ยวกับดินน้ำไฟลมข้างนอกตามหัวจมูกลิ้นกายไม่เกี่ยวแล้วเห็นไหมมันยังประชุมกันละเลงกันอยู่ข้างใ น, นได้เลยนะใครไม่เคยละเลงยกมือขึ้นใครไม่เคยเดี๋ยวไม่กล้ายกกลั <c oughs> วจะอายานั่นนะเอาทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าองค์ประชุมนี่ชัดเจนแล้วเราก็ต้อง ตั้งแต่ต้นไปแต่กระตั้งกายในกายไปจนตั้งถึงอุเบกขาองค์ประชุมทั้งนั้นองค์ประชุมอุเบกขาเนะี่ยต้องไปทบทวนซ้ําองค์ประชุมให้ได้นะว่าคุณเป็นคนนะคุณจะต้องอยู่กับโลกสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องคุณก็ต้องมีกรรมกิริยามีประโยชน์ธาตาจิตคุณทําบริสุทธิ์ได้แล้วปริสุทธิ์าประโยชน์ธาตาคุณก็มาเกี่ยวข้องทํางานทําการทำอะไรอะไไปอยู่กับโลกสัมผัสนั้นนี้คุณก็จัดการกับจิตคุณได้มุทุพูตธทาบ มุทุจ right. no ิตของคุณก็ปรับได้คุณจะให้มันเกิดให้มันตายให้มันเบาให้มันหนักให้มันได้ทั้นี้เทั้นั้นทั้นคุณจัดการสับส่วนอนุโลมปฏิโลมได้หมดเลยเก่งและได้ทันทีด้วยไวด้วยมุทุทั้งทั้งไวทั้งเร็วทั้งรู้ตั้งรู้กับเร็วทําได้กับเร็วเดว่ามุทุปุตตธาเพราะงั้นทุกอย่างเราปรับปรุงอะไรได้ทําเป็นการงานอะไรได้เป็นกรรมมัญญตาได้หมดเลยด้วยคุมด้วยอัญญะ อัญญาคุมได้ยานอัญญาคุมการกระทํากรรมการกระทำกรรมัรรรมญญะได้ทุกอันเลยคุมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นการงานที่ถูกคุมได้อัญญาที่เป็นความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็นความฉลาดเป็นความที่ไม่มีตัวตนมันก็การงานที่มันออกมาดีที่สุดควรที่สุดเหมาะที่สุดเลยในโลกไม่มีอคติแล้วก็มีความฉลาดรู้ว่าทําดีที่สุดไม่มีประชดไม่มีเป็น เล่นเละเล่นเละอะไรก็คล้ายเต็มทวนที่สุดดีที่สุดเต็มที่เต็มที่เต็มที่เรียกว่ากรรมมัญญาเป็นการงานอันดีที่สุดที่เหมาะกันที่สุดที่ผู้มีอัญญามีญานปัญญาอันยิ่งประสมส่วนจัดงานออกมาใช้พลังงานนั้นออกมาตามกําหนดสุดยอดทํางานอย่างไรกระทบกระแทกกัยงไงถูกต้องกับอะไรอย่างไรก็ไรถูกความร้อนความแรงความเปื้อนความดําความขาวคํา เลิกความเทอะยังไงไม่ติดเป็นจิตวิญญาณสะอาดปริสุทธาอยู่คงเดิมประพัดสอนอยู่คงเดิมปริสุทธาประโยชธตาตามุทุกรรมมัญญาประพัดสราองห้าของอุเบคาเนี่ยทราบซึ้งขึ้นเพิ่มอีกนิดหนึ่งไหมอธิบายมาแล้วมาเล่าไม่รู้กี่ครั้งกี่คราเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นรายทาง ที่นี่มาพูดถึงรายทางเมื่อสามารถรู้กายในกายเวทนาก็อธิบายไปแล้วมันเนื่องกันมาและก็มหาจิตก็เนื่องกันแล้วจนกระทั่งคําว่าธรรมเป็นสิ่งที่ส่งไว้ก็อธิบายแล้วเมื่อกี้ว่าท่านเป็นท่าประวิจิตของคุณทรงไว้แต่กุศลมันไม่มีอกุศลแล้วมันก็เป็นธรรมแท้ถ้ามันมีอกุศลแม้นิดหนึ่งมันก็ยังไม่ใช่ธรรมแท้จิตคุณก็ยังทรงไว้ซึ่งแปดเปื้อนนิดหนึ่ง คนรายละเอียดคุณต้องตรวจสอบให้หมดจริงๆแล้วมันถึงจะเป็นธรรมแท้ตกลงกายเวทนาจิตธรรมพอเข้าใจแล้วนะเมื่อรู้จิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ไปปฏิบัติ ด, ด้วยสมปทานโดยมีกองเชียร์คืออิธิบาทสี่กองเชียร์สำคัญในนะไปไหนไปด้วยกันเลยนะสมาวายามากับสมาสติตัวเนี้ย สัมมาสตินี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นที่จะเป็นตัวประธานใหญ่เป็นสติสัมโพชงแม้จะกำลังทำก็ให้เกิดสัมมาสติแม้เป็นตัวเริ่มต้นก็ต้องมีตัวสติกำลังทำก็เป็นตัวสติพยายามทำให้ได้ตามที่เราเข้าใจเรว่าทิฏฐิทิฏฐิเป็นประธานสติกับพยายาม ช่วยกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันสังเคราะห์สังขารกันทําให้เป็นอภิสังขารให้ชําระกิเลสให้ได้คุณพยายามชําระกิเลสหรือกาจัดกิเลสประหารกิเลส ว, วิธีปฏิบัติก็ต้องสํารวจมีสี่หกสมปทานสสังวรสํารวจมีสี่หกตากระทบรูหูกระทบเสียงอะไรไปทั้งห้าหทวานนั้นทํางานร่วมกัน แล้วก็ต้องกำหนดรู้ตัวสั ก, กายะที่จะประหารแล้วคุณก็ต้องประหารวิคัมปะณัปะหารก็อย่างนั้นแค่นั้นวิปัสนาประหารด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงจนมันมีพลังฌานพลังไฟพิเศษละลายกิเลสได้จนทาได้จริงเป็นสมุเทเฉดทาได้เด็ดขาดเลยโอ้ยางงี้เองก็ทอย่างนี้เอ ง, อ ง, เองใครทาได้คนนั้นก็รู้องตนเอง โอ้ทำได้ย่ง่งเหรอทำได้เด็ดขาดสมุดเช็ดทำได้จริงน่ะโอ้โหมันลงด้วยปัญญาจนกระทั่งไม่ต้องกดข่มช่วยเลยใช้ปัญญาตัวเดียวไฟปัญญาตัวเดียวฌานหมไม่เป็นปัจฉติละลายไปได้เลย ละลายไฟราคะเลยไฟปัญญาเนี่ยมันสูงไฟฌานฌานฌาชกเชอสระานอ น, นูเนี่ยเป็นกองไฟใหญ่เนี่ยกองไฟพิเศษเนี่ยมันละลายได้ซึ่งอธิบายเหมือนฟิสิกส์เลยเนี่ยอธิบายเหมือนฟิสิกส์เลยแต่ว่ามันเป็นนามธรรมเพราะว่าคนปฏิบัติ ด, ด้วยการรู้กันรู้ว่าโอ้เรามีล้กองไฟแบบฌานฌานไม่ได้ไปหลับตาหลับตาซะอีกยิ่งฌานน้อย ชาญโยนในรูประพบวรูประพบแค่นั้นเองแต่ลืมตาในชาญโอ้โหอยู่ดึกสการมาพบทั้งรูปบพบรูปบพบเลยเต็มองประชุมครบนอกในสมบูรณ์หมดเลยแล้วไปโลงเรียนในชาญกองไฟน้อยๆพุทโธไม่หมือห่อไมันจะเสร็จแต่ทีเมื่อเรียนกองไฟเต็มๆนี่สร้างกองไฟเต็มๆนี่มันมีประสิทธิภาพนะเมื่อมัน มีพลังโหมเต็มเลยว่าปัจฉละติเนี่ยมันละลายเลยเกิดความสว่างใสรุ่งเรืองขึ้นมาได้ทันทีเลยปัจฉลติสัมปัจฉลติสัมปัจฉลติสัมปัจฉลติสัมปลติพยัญชนะของบาลีนี่ละเอียดมากเลยอัตมาเก็บมายังไม่หมดนะแค่นี้นี่เอาบางตัวเท่านั้นมาอธิบายอธิบายหมดไม่ไหวล้วอัตมาก็จำไม่ไหวพยัญชนะมันเยอะสภาวะมันามีแต่ว่า เอาแค่นี้ก็ได้รับรองว่าทำแค่นี้ได้จริงคุณเป็นประหานได้สามารถสังวนประทานประหานประทานได้ตามที่รู้จนได้ผลภาวนาประทานเกิดผลสำเร็จก็รักษาโดยอรุปรชานสีอเนินชาพิสังขารหรืออาเสวนาภาวนาพระหุลีกัมมังหรือสามกาละของเวทนารอยแป ทุกปัจจุบันทำสังสมเป็นอดีจะได้เป็นอนาคตเดียวกันมันเหมือนเข้าใจหมดเลยมันมั น, ม, นมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรเกันไปพยัญชนะ เ, เป็นความหมายหลายหในหลายมุม um. แต่แท้จริงมันก็โอ้โหมันเป็นไวัยพ์กันหมดเลยใช้แทนกันได้หมดเลยนะคุณก็สมมติประธานสี่สักวันประธานประธานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานก็รักษาผลไปเรื่อย ด้วยกองเชียร์ใหญ่อิธิบาทสกองเชียร์กองช่วยกองเชียร์กองช่วยตลอดเวลาเป็นแรงเป็นพลังสําคัญมากเลยขาดไม่ได้อิธิบาทสหรือวิริยะสัมโพชงทำวิจัยสัมโพชงก็คือสมประทา น, นทําแล้วจะเกิดอินทรีย์เกิดกําลังเกิดพลังเกิด กองไฟใหญ่อินทรีห้าพละห้าพลานะในตัวจบอินทรีในะตัวสังสมไปเรื่อยๆืๆ่อๆมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มมันอินทรีก็เต็มศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาหาลักษณะนี้คุณก็รู้ว่าโอ้โหความเชื่อความเห็นจริงความรู้ศรัทธามันจริงมันใช่มันชัดมันชัดขึ้ น, นเรื่อยๆชัดขึ้ น, นเรื่อยๆศรัทธา คุณยิ่งเห็นว่าคุณยิ่งได้อริยทรัพย์คุณยิ่งได้ยิ่งก็บทรัพย์โอ้โหมันยิ่งใหญ่กับเพชรนินจินดาราบยศสันเสริญอะไรมหาศารเลยคุณยิ่งวิริยะคนยิ่งไม่กินไม่นอนแล้วระวังสุขภาพจะตายก่อนวิรยิยะมันมันเห็นจริงมันเป็นจริงอ่า สติคุณยิงตื่นเลยไม่เอาแล้วไม่มีหลับไม่มีนอนไม่มีตกไม่มีรู้ง่วงแล้วเพลียขนาดนั้นก็ยังจะตื่นเต็มย่งกระทั่งดีไม่ดีช็อตขาดตายก่อนสติก็ตื่นเต็มแล้วก็ทําศรัทธาวิริยะสตินี่ยนะมันก็ทํางานทํางานสั่งสมผลลงไปเลยเป็นสมาธิเกิดจิตที่สมบูรณ์ขึ้นตั้งมันตั้งมันตั้งมันตั้งมัน สังสมละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเป็นธาตุรู้คือปัญญาซึ่งเป็นตัวตรงข้ามกับปัญหาผู้มีปัญญาเต็มปัญหาไม่มีผู้มีปัญหามากไม่มีปัญญาเท่านั้นเองก็ได้จิตสะอาดได้ปัญญามากรู้ชัดเจนเป็นอินทรีย์เติมไปเรื่อยๆอยู่ในฐานของโพธิชงคือ อาณาปานสติอยู่ในฐานของมัดแปดคือกายคตาสติต้องมีสติปฏิบัติอาณาปานสติกับกายคตาสติเอาทีนี้ทุกอิริบ ท, ที่เก้าอย่างเดินขี่เยี่ยวอะไรกายคตาสติทุกองประชุมข้างนอกข้างในทุกอิริบทุทกทางตามกายนี่รวมหมดทั้งนอกและใน คนก็ต้องมาเรียนตามหลักของอาณาปานสติ16นี่แหละต้องรู้สัพพกายะรู้แจ้งให้หมดเลยองค์ประชุมนอกในตามลำดับเช่นศีลห้าคุณก็เอาแต่กรรมกิริยาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของคนคนอื่นจะไม่ใช่ของเราผัวเดียวเมียเดียวนะอนุโลมมีการมแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อน จัดจานคนนี้มากคนนี้รูปรถกินเสียงสัมผัสเรื่องเยอะเอเอาแค่นี้ก่อนนะไม่พูดปดไม่ทุจริตและซื่อสัตว์ทุกอย่างนะแม้แต่พูดก็ไม่เอาใจก็จริงจริงในกรอบของไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์ในกรรมกริยาสัมผัสราคะก็แค่ผัวเดียวมีเดียวหรือรูปรถกินเสียงสัมผัสก็ของใครของมันจัดจานคนนี้คุณตัดเอาเองนะคุณว่าอันนี้มันจัดจานไปต้องตัดเองตัดเองเองันนี้รูปขนาดนี้ ไ, ไว้จัดไปเอาแค่นี้นะเสียงขนาดนี้โอ้โหคุณยังจะปรุงต่อไปอีกเนาะยังจะต้องจัดก่า น, นี้ไปอีกนะเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะ ส, สารวัตคุณก็ต้องรู้ว่าเอออันนี้มันจัดไปแล้วมันมากไปแล้วมันเกินไปแล้วเราลดลงมานะคุณก็ตีกรอบของคุณเอาเองศินหน้าอ่าระดับสินหน้าก็ตีกรอบเอาในระดับนั่นแหละคุณมัดมาสุราเมา เมาขนาดนั้นะอะหยาบเมเรยะก็ไปขั้นสองมัดชัก็ไปขั้นสามก็ค่อยว่ากันไปเป็นลําดับขั้นแรกสีหน้าก็สุราสีหน้าก็สุราแรงกล้าสุราสุระแรงกล้าเอาก่อนกรอบแค่นี้คุณก็ทํทาทำของตนอันอื่นของเรามีก็ชั่งเรายังไม่เอาเพรมันเนื้อกับมีกันนั้นเอาแค่นี้ก่อน เมื่อแค่นี้คุณได้เริ่มต้นทําไปตามอานาปาณสติคือลืมตานี่แหละคุณทําให้รู้องค์ประกอบกายองค์ประชุมทุกอย่างให้รู้ทั้งนอกทั้งในชัดแล้วทําให้มันระ ง, งับระ ง, งับอะไรไม่ใช่ระ ง, งับการเดินไม่ใช่ระ ง, งับการทํางานไม่ใช่ระ ง, งับวงการงานที่เร็วที่คล่องได้ไม่ใช่กิเลสกิเลสระ ง, งับกิเลส อย่าให้มันมาวิ่งจุนจันเร็วไวรุนแรงอยู่นี่ให้มันเบาลงกิเลสเบากิเลสอ่อนแรงกิเลสระ ง, งับกิเลสหมดบทบาทกิเลสหมดกิริยาละเอียดเห็นไมและสิ่งเหล่านี้เป็นนา ม, มาทำทั้งนั้นเลยถ้าคุณแยกองค์ประชุมกายในกายที่เป็นองค์ประชุมของตัวกิเลสทิ่ซ่อนอยู่ในองค์ประชุมของทั้งหมดเลยของเราเนี่ยมันซ่อน เราเรียกว่ามันซ่อนก็นเพราะมันหลบเก่งเราจะจับตัวมันไม่ได้หลบอยู่ไหนก็นต้องตามตัวไม่ได้เรานักเล่นซ่อนหามือหนึ่งจับไม่ได้จับตัวมันได้แล้วก็จัดการกับมันวิธีจัดการก็ง่ายๆอย่างที่ข่มมันลงไปซึ่งไม่ถาวร อ, อาศัยอุปการะและคนมีสัญชาตญาณกดข่มอยู่แล้ว แต่ใช้ปัญญาให้มันรู้ความจริงชัดเจนมันไม่เที่ยงมันเป็นภาระมันพาทุกข์และไอ้เพราะมันนี่แหละมันเรื่องไม่ดุจจบทีหนึ่งเลยอันใดที่ไม่มีมันเอออันนี้มันก็ไม่เป็นภาระเนาะคุณก็รู้ว่าเออไอ้ไม่เป็นภาระคืออะไรอาศัยมันได้โดยมันนี่มันไม่ต้องมันเล่าร้องมันต้องมานั่งปรุงแต่งเกินขอบเขตอะไรไม่เอาเมื่อคุณเห็นด้วยปัญญาความจริงพวกนี้ชัดแล้วคุณก็ปล่อยวางได้จิตมันปล่อยวางมุนจิตุกามยะ มียานกรรมยตยานญานมุนจิตุมันปล่อยออกมันมันมันไม่เอามันแต้มันก็ปล่อยสัพพัดอยู่มันก็ไม่ได้ดูดมาสัพพัดอยู่มันก็รู้สักแต่ว่ามันเอออันนี้คืออันนี้แล้วเราก็ไม่ได้ดูดมาใส่ใจตัวเองคุณก็ต้องกําหนดหมายรู้เองว่าอาการใจคุณดูดมาใส่ใจตนมือคืออะไรคุณไม่ดูแล้วคุณแตะคุณก็รู้สักแต่ว่ารู้รู้มันเงี่ยมันมีอยู่นะเออดอกหน้างัวข้างหน้าธรรมาเนี่ย เออมันสวยสมมติโลกเขาเรียกว่าสวยอยากได้ไหมั้ยเฉยอยากเอามาเป็นของตนไหมไม่เอาสมมติโลกว่าสวยก็ได้สวยก็สวยด้วยได้ก็ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่จำเป็นก็เอ้ามาทำไมเล่าไม่จำเป็นหรอกดอกหน้างเนี่นะงวมันตัวตวเท่าไรกันเชีช้างยังตัวโ ต, วตวกว่าเอาดอกหน้าช้างยังดีกว่าดอกหน้างว ดอกหน้าัวงมูตัวเล็กแค่นี้เองเรามีดอกหน้าช้าง่ะใหญ่กว่านี่อ็อธิบายไปยงั้นอธิบายให้ฟังให้เห็นเปรียบเทียบเราจะรู้ว่าจิตของเรามันอาการเออเราต้องการอยากได้หรือว่ากระสันอยากมันมีอาการมากน้อยกันถ้าบอกอยากเฉยเยก็บอกกระสันอยากมันแรงกว่ากันอะไรเงี้ยก็ใช้พยัญชนะสื่อสภาวะทั้งนั้นอ่านใจพวกนี้ออกแล้วก็ดูอาการใจเราได้ เราได้ปฏิบัติไปจริงๆทุกกายขตาสตินี้ทาอาณาปานาสติตลอดคือรู้จักสรพกายะทําให้มันงับแม้มันจะเกิดอุปกิเลสเป็นปิติก็ดีเป็นสุขก็ดีนี่เป็นอุปกิเลสมันยังดีใจส้อนแล้วดีใจปิติอันนี้มันไม่ใช่ปิติของโลกโลกีมันได้มันสมใจแล้วก็ดีใจใจปิติ มันดีใจตรงที่มันตัดกิเลสออกตั้งหางมันไม่ต้องสมโลภโลภมันตายตั้งหางมันเลยดีใจพิติอาการมันคนละเหตุปัจจัยอาการนั่นดีใจมันเหตุปัจจัยสมโลภนี่อาการเหตุปัจจัยมันขาไอตัวโลภนี่ตายตั้งหางหรือมันสลบไปก่อนก็ตามมันยังไม่ตายสนิทมันสลบอันนี้มันดีใจพิติมันก็ยังเป็นอุปกิเลสพิติอ่อนแล้วกลุ่มสุขในที ยินดีในใจสุขอาการยังไงปิติกระสุบบนตากันแค่ไหนมันชื่นใจอยู่ในใจแหละมันไม่โลดแล่นเท่าปิติสิปิติถือก็แปลมาทั้งห้าอย่างนะคุณตการปิติคณิกาปิติคุณตการปิติโอการิกาปิติแล้วก็เพ่งคาปิติภาณาปิติพระพุทธเจ้าท่านให้เหลือภาณาปิตินะ มันสร้างไปมันแพ้บางเบาอยู่ในจิตอาศัยมันอยู่เพราะฉะนั้นจะรู้ตัวจบในอนาปานนัในเองพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นอภิปโมททยังจิตตังเพราะฉะนั้นจิตมันไม่จืดนะจิตมันเป็นอภิปโมททยังจิตตังสุดท้ายอ่ะเพราะงั้นพุทธตาติิ่งจิตเบิกบานราเริงอภิปโมททยังเนี่ยแบบเบิกเบิกบานราเริงอาศัยมันได้แล้วเราก็รู้มันว่าแม้ตัวอาศัยตัวนี้สุดท้ายจริงๆ มันก็ไม่ใช่เราของเรานะคุณจะรู้ของตัวคุณเองว่าคุณจะยังรักมันอยู่แต่ถ้าคุณเบาเหลือแค่นี้นะไม่เป็นไรไรคุณไม่ทำลายโลกแล้วคุณจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนิรันดอนแข่งกับผอเอาโลกิเสสวนก็เชิญไม่ว่ากันเพราะคุณไม่มีชั่วอะไรอีกแล้วคุณไม่ทำดีตัวนี้คุณขอแค่นี้ไว้อาศัยให้เลยแล้วคุณก็อยู่ละโลกคุณไม่ทาชั่วอะไรอีกมีแต่ทาดี เป็นอวัยวะรูปตัวสวนก็ปแปลงร่างมาเป็นควนอิมมั่งไปแปลงร่างเป็นโอ้สนิรมานกายไปอีกไม่รู้กี่กาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สร้างกายใหม่ๆที่เป็นคุณค่าประโยชน์ทำให้แก่โลกอีกเท่าไหร่ก็เชิญค <c oughs> ือจิตวิญญาณสร้าง <c oughs> เป็นพันกายล้านกายก็ชัง <c oughs> <c oughs> พิติก็เป็นอุปกิเลส ตอนแรกอาศัยตอนหลังๆก็น้อยลงจนกระทั่งเรือบางเบาเรือในสุขแม้แต่สุขก็รู้แล้วว่าเออมันเนียนอยู่ในเนื้อจิตทั้งนั้นก็พอละอาศัยแม้นั้นก็เป็นภาระขันธ์หน้าที่สะอาดนะปัจจขันธาภาระเวเป็นภาระสุดท้ายอะแมจะไม่มีอะไรแล้วหมดอุปาทานสนิทแล้ว มีเรือขันนาทแท้ๆที่ขันสหสะอาดแลว้วก็ตามนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นกายเนี่ยมันเป็นประชุมนอกรวมด้วยที่นี้มากล่าวถึงแท้แค่จิตในจิตเลยเป็นจิตสังขาระก็ต้องรู้การกําหนดจิตสังขารกายสังขารนั้นยังเกี่ยวกับนอกพอมาเป็นจิตสังขานี่เป็นนา ม, มากายแท้แต่ไม่ต้องใช้กายแล้เดินสับสนก็เรียกจิตสังขารตรงๆ เฉพาะจิตละปรุงแต่งกันอยู่ก็เหมือนกันก็ทาให้มันสงบระ ง, งับเพราะภายในจิตมันก็ยังมีรูปราคามีอรูปราคามีมาน้ามีอุทธัจรมี อ, มอวิชชาอะไรอีกเอาออกให้หมดจากจิตอีกในยะเดียวกันแม้มันจะมีปิติมันจะมีสุขอีกก็ละไวในฐานที่เข้าใจท่านก็มอธิบายต่อทำให้รู้แจ้งถึงองค์ประชุมของจิตแล้วก็ทำให้มันสงบระ ง, งับ สงบระงับแล้วก็เหลือสุดท้ายไว้ที่อภิปมโทยังจิตตังนี่เปิดตําราอธิบายนะเตําราอธิบายอภิปมโธยังจิตตังคือจิตให้มันร่าเริงเบิกบานอยู่ไม่ใช่ร่าซานะภาษาไทยว่าร่าซากับร่าเริงมันต่างกันร่าซานี่มันซานะแต่ร่าเริงนี่มัน ก็เนียนในอยู่นิดๆอศัยเท่านั้นเองเพราะมันจะมันจืจริงๆแล้วมันไม่ได้จืดชื้อแท้งเดไม่จะเห็นได้ว่าอัตมาไม่ได้จืดนะแต่ไม่เค็มแต่หวานไม่มากไม่จืดแต่ไม่เค็มไม่เค็มเลยนี่หวานนิดๆ หวานไม่มากเหมือนบางคนนะจ๊ะนะจ๊ะไไม่เท่าอาตมาหวานไม่ไม่ไม่เยอะอาตมามันอ่อนอ่อนหวานเพราะเขามันแก่หวานนะมันกลับไปกลับมาหมดเลยคำภาษาไทยนี่ก็ตามมันสลับไปสลับมาอยู่เรื่อยเลยอ่า เพราะที่อาตมาพยายามแจกพยัญชนะอาแสยพยัญชนะที่พอคุณก็พอรู้แม้เอาบาลีบางตัวมายังไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแล้วก็จะเข้าใจชัดขึ้นว่าสภาวะมันคืออะไรอาตมาพูดไปนี่อาตมาเชื่อว่าแต่ละคนพยายามจะตามเข้าไปหาสภาวะโดยใช้พยัญชนะที่อาตมาสื่อใช่ไหมแม้เป็นบาลีก็ตามเป็นภาษาไทยก็ตามก็ก็ตามเข้าไปก็จะรู้แจ้งในสัจธรรมพวกนี้เพิ่มขึ้น สรุปแล้วตั้งแต่กายในกายมาเวทนาจิตธรรมจนกระทั่งมาถึงสม ป, ปทานสก็ลวนแล้วแต่เริ่มเป็นโลกุตระมาเรื่อยคุณทำอะไรเป็นทำอะไรชนานาญหรือสร้างสมเป็นรี่ห้าก็เป็นโลกุตระขึ้น เ, นเรื่อย เ, อ เ, อ เ, อเอมาสรุปรวมลงตรงที่โพชฌงเจ็ดกับมรกแปก็เป็นตัวเนื้อแท้ของโลกุตระ สติเป็นสำโพธชงเป็นองค์ในการตรัสรู้จนตรัสรู้สมบูรณ์สติคุณก็เต็มสบายแต่ก็ไม่ได้หมายความพาซื่อว่าสติเต็มก็คือคนที่สตินี่จะต้องรู้อะไรทันหมดเลยนะอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้ตกใจไม่ได้ไอ้นัทมันตกเพ่งไม่ได้ไม่ใช่อหรหันไม่ใช่ได้ขาดตอนได้อ่า อาจจะไม่ขาดตอนได้สำหรับพระพุทธเจ้าเราก็ยกไว้เพราะท่านมีพลังงานที่ควบคุมได้สูงสุดนะเร็วมีมุทุกพูตมีความเร็วของจิตที่จะไวตรงนั้นตรงนี้มันไวจนกระทั่งคุณนั่นแหละจับความไวไม่ทันท่านท่านรู้ก่อนคุณหมดตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าท่านตกใจเมื่อไหร่ เพราะคุณไปเจอก็ท่านหายตกใจแล้วท่านตกใจไปแล้วคุณคุณชาไปกว่าท่านนะหรือท่านจะตกใจหรือไม่ตกใจคุณก็รู้ไม่ทันท่านอะไรเงี้ต้นก็ต้องยกมาให้คุณสูงสุด น, นี่คือสัจจะที่มันละเอียดมากนะราะสติก็คือธาตรู้ตัวทั่วพร้อมเท่าที่เรามีบารมีควบคุมได้และก็ะจับสันกับสติ ที่มีความซื่อสัตย์สติรู้อย่างนี้จะปรุงแต่งอั้นนี้เพื่ออันนี้อะไรเป็นอกุศลเราไม่ให้มีเลยอะไรเป็นบาปโดยเฉพาะอะไรเป็นบาปบาปเป็นปรมัตตสัจจะกุศลเป็นสมุติสัจจะอกุศลบุญเป็นบุญเป็นปรมัตตสัจจะบาปนี่เป็นปรมัตตสัจจะแต่กุศลกับอกุศลนี่เป็นสมุติสัจจะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกุศลคุณก็อนุโลมกับเขาทํากับเขาอยู่มีได้แต่บาปต้องไม่ให้มีเลยบาปเป็นเรื่องของประมาภิเป็นเรื่องจิตเจตสิกของคุณคุณทําให้มีเลยทุกปัจจุบันคุณทาได้แล้วส่วนบาปที่มันทําหน้าที่แล้วมันก็สังสมเรียกชื่อมันตามไว้แย่เฉยว่าวิบาบบา ป, บาปที่จริงมันไม่ทําแล้วนะมันเป็นแล้วนะคุณทําชั่วนะมันก็เป็นวิบาบไว้แล้วกองไว้แล้วเป็นผลแล้วสําเร็จแล้ว เป็นแต่เพียงว่าเราใช้คำว่าบาปไปกากับนั่นก็คือมันเป็นชั่วที่ทำแล้วที่สำเร็จแล้วจากกิเลสบาปหรือจากอากุศลวิบากอากุศลก็เรียกวิบากอากุศผลก็เลยเป็นผลของอกุศผลหรือเป็นผลของกุศลหรือวิบากบาปแต่วิบากบุญไม่ค่อยเรียกครับเพราะว่าบุญมันสำเร็จแล้วมันจบไปในตัวชาระแล้วก็จบไม่ต้องสมสะสมอีกนะ แต่วิบากบาปมันสะสมนะเพราะา ม, มักิเลสเป็นกิเลสนะแต่เอากิเลสออกแล้วมันไม่มีกิเลสแล้วจัุจจะสะสมอะไรอ่ะมันมีแต่ความว่างคุณทําออกแล้วเหลือแต่ความว่างจะเหลืออีกก็จะมีแต่จิตจะบอกว่าวิบากนั้นเป็นอะไรเป็นจิตสะอาดวิบากนั้นเป็นจิตสะอาดสะอาดจากที่คุณเอาออกได้แล้วเป็นอหรหันต์แล้วเอาออกหมด บาปไม่มีกิเลสไม่มีหมดไม่เกิดอีกเมื่อไรเมื่อกิเลสใหม่นี่ก็ไม่มีกิเลสเก่าก็ทําไปแล้วจบไปหมดแล้วมันไม่ได้ทําซ้ําอีกแล้วกิเลสเก่ามันจบไปแล้วอ่ะกิเลสใหม่มาทานปัจจุบันทุกปัจจุบันมันไม่ทําอีกแล้วอนาคตมันไม่มีก็ปัจจุบันทุกปัจจุบันนี่มันแข็งแรงมั่นคงแล้วมันไม่ให้กิเลสมาทําด้วยเพราะฉนั้นปัจจุบันและอนาคตไม่มีอีกหรอกไอ้ที่ทำไปแล้วมันก็ทําไปแล้วมัน จะมาทําอะไรอีกลมันก็หมดอาการแล้วมันหมดแรงหมดจบแล้วอะ่ะมันเหลือแต่กองเน่าเพราะงี้มันยูุเศษพวกเนี้เมื่อทําลายไปก็ใช้หนี้ไปทำลายก็ใช้หนี้ไปทําลายก็ใช้หนี้ไปทำลายไปอาศัยเวลาพระคุณก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงขนาดสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่หมดเกลี้ยงเลยเจ้าบางคนเอ้ยวิบากรรมมนุษย์นี่ ยังตามมาทันไนเะชื่อไหมตาพุทธเจ้าทำไมปริธนิพพานให้เป็นปริโยสารไปอีกมันยังมีตามมาอีกนะแต่ท่านเลิกไปแล้วก็เลยไม่มีอะไรจะตามมาเล่นงานได้เท่า น, นั้นเองนี่คือความฉลาดของาศาสนาพุทธที่รู้จักตัดจบมันจบจริงๆเลยมันจบเพราะมันมีตัวเล่นงานอีกแล้ว พระนั่นจึงมีตัวสำคัญว่าสามารถที่จะจัดการไม่ให้ตัวเชื้อโรคเข้าร่างกายเข้าร่างใจได้จริงๆมีประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นถ้าจะอยู่ตรงนี้เป็นอราหันต์ตรงนี้ก็คือสูงสุดในความที่จบและไม่ลึกลับและอรหะหรืออรณะไม่ต้องมีสงครามอีกแล้วมีแต่ทางานช่วยโลกไปสูงสุด เพราะฉะนั้นในกายคตาสติคือองค์ประชุมของอาชีพองค์ประชุมของการกระทากรรมมันตาองค์ประชุมของคำพูดองค์ประชุมของความคิดนี่คือกายที่ย่งองค์ประชุมที่คุณจะต้องจัดการให้เป็นสัมมาให้เป็นสัมมาองค์ประชุมจัดการถ้ามีกิเลสเข้าไปร่วมต้องรู้องค์ประชุมทั้งหมดในกายสัพภกายะทำให้มันหนึ่งปฏิสัมพั์เวที รู้มันใหจริงรู้มันให้ตลอดอันไหนคืออันไหนอันไหนคือไห น, นแล้วก็กําจัดตัวที่มันจะต้องกําจัดอย่าไปผิดเพี้ยนอย่าไปเลอะเทอะนะจะฆ่าในกอดันไปฆ่าในขอนะมันแพ้จะไปฆ่าแพะให้ฆ่าผีนะเทพโมเมไปฆ่าไปถูกแพ้ผิดเพี้ยนไปอีกแต่มันยังไม่ได้ฆ่า ผีตัวจริงด้วยได้ไปทําบาปใส่ตัวเองปฏิสังสัมปกายาปฏิสังเวทีแล้วทําให้ระ ง, งับปัดสัมพยังระ ง, งับคืออะไรก็ทําให้ตัวกิเลสตัวที่เราชัดเจนนะั้นน่ะมันหมดชีวิตินทรียีหมดกําลังหมดแรงหมดพลังหมดไม่รู้จะเรียกอะไรอีกแล้วจะเรียกพลังจะเรียกแรงจะเรียกกําลังจะเรียก แรงงานหมดอินทรีย์เพราะเมื่อหมดพลังอันนี้หมดมันก็ไม่ดิน้นมันมมันก็ไม่มีชีวะมันก็ตายสนิทมันก็แห้งหมดความเป็นชีวะนะเพราะงั้นคุณจะต้องแม่นแม้ทำแล้วดับได้มันก็ยังมีกิเลอสซ้อนไปปิติไปสุขคุณก็จะต้องรูระ ง, งับมันอีก เป็นอุปกิเลสยังกะตั้งเป็นอุเบกขาจะมีปีติน้อยแผ้ซ่านภาณาปิติอยู่ก็อาศัยเป็นบ้างและก็อ น, นั้นแหละอาศัยจนสุดท้ายเป็นอภิปโมทยังจิตตังสุดท้าย น, นี่อธิบายรวบไปถึงจิตสังขารแล้วก็เป็นสุดท้ายอภิปโมทยังจิตตังนี่คืออานาปานาสติ และปฏิบัติลืมตาขณะมีกายาวันนี้อาตมาพยายามร้อยมาลายขยายให้ชัดอย่างนี้อีกเอาเถอะอาตมาจะพยายามแม้ไม่เข้าใจวันนี้วันหน้าก็เอาใหม่ยังไม่หยุดหรอกเห็นใจผู้ที่ยังเข้าใจไม่ได้แต่ผู้เข้าใจได้แล้วอนุโมทนาสาธุแล้วเอาไปปฏิบัติให้เป็นอหรหันต์มาช่วยอาตมาบ้างอาตมาต้องการ อยู่ในไหน ๆ, ๆยังไม่รู้เนียเนี่ยหลายคนนะเนี่ยมีฐานะของเป็นอนาคามีก็มีเป็นส ก, กิทาเป็นสโสดานะไม่น้อยหรอกผ่านอโศกไปแล้วแต่ก็เป็นร ะ, ระเริงหลงโลกเพราะโลกมันจัดโลกมันแรงมันยัวย่วยุเก่งจริงๆแล้วก็ไปโลกมันโอ้ยเราเนี่ขี้เรจริงเนอะความจริง ความจริงในคีดเดจริงเนาะความจริงไปไปหลงในความลวงฮี่ก็เอาไม่เป็นไรจนกว่าคนจะรู้สึกตัวคุณจะรู้จักทุกรู้จักเหตุรู้จักไอความไม่น่าจะไปหลงอยู่แล้ว่อมามันบังคับไม่ได้และอาตมาก็ไม่ใช่นักงอ น, นักงอนด้วยเพราะเมื่อ ง, งอ ง, งอนมาหลายชาติแล้วนะ อิทธิภาวะในการงอนี่เบื่อจริงๆเลยอาตมาเนี่เบื่ออิทธิภาวะการงอนเนี่ยเบื่อเหม็นเม้นเบื่อไม่่อยชาดนี่ไม่คเยมคยงอเท่าไหร่ขนาดนั้นว่าจริงๆก็ยังมีงออยู่บ้าง น, ะนิดๆ น, นะเพราะว่าไม่รู้จะทำไงไม่งอซะเลยมันไม่มาซะเลยจริงๆเลยนะ โอ้วันโดดเดียวว้าเวจริงๆมันก็เลยทํางานไม่ได้เล ย, เยก็พาะได้บ้างแต่ก็ยังมีคนที่มีผู้มาทำว่าไม่ได้มาด้วยงอแต่มาด้วยใจสมัครดีไม่ดีบางคนไม่เด่งอะไรเลยมาเองเข้าใจด้วยปัญญามาจริงอันนั้นของจริงเราก็อยู่ได้ด้วยความจริงแบบนี้แหละนะ พราที่อาตมาพยายามที่จะมาอธิบายเรียบเรียงให้เห็นว่าความรู้พระเจ้านี่มันซับซ้อนลึกซึ้งเพราะคำว่ากายก็ดีคำว่าบุญก็ดีคำว่าอาณาปานาสติก็ดีคำว่ากายขตาสติก็ดีมันเข้าใจผิดเพี้ยนไปมันก็เลยปฏิบัติไปถึงที่สุดไม่ได้แม้แต่คำว่าเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณพยัญชนะของบาลีเนี่ย ก็เข้าใจสภาวะมันไม่เคยตรงนิโรดก็ไม่รู้ว่านิโรธสภาวะเป็นสมานิโรดเป็นยังไงนิโรดแบบที่มันนอกนะเป็นนอกขอบเขตพุทธก็ไปได้นิโรดนอกขอบเขตพุทธอาตมาต้องพูดแล้วเกรงใจเกรงใจแต่ก็ไม่รู้จะทำไงมันเลี่ยงไม่ได้ก็คือเป็นหลงอรหันเก้กันอยู่นั่นนะ่ะต้องพูดนะ่ะถ้าอาตมาก็ไม่รู้จะทาไง พอไม่เป็นจริงไปหลงอรหารเกกันจริงๆก็โอ้ก็จมคนยึดติดก็ต้องปล่อยเขาแต่คนที่เขาพอตั้งใจฟังแสวงหาอยากจะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีจริงอยู่บ้างก็พอมีก็พอได้จากคนเหล่านี้ส่วนคนที่ติดยึดอยู่ก็ก็โกรธอาตมาก็จำนวนไม่อยากให้ใครโกรธเราไม่อาตมาก็ไม่อยากใครทุกคนก็ไม่อยากให้ใครมาโกรธเราหรอก แต่มันจำเป็นมันจำนวนมันสุดวิสัยมันไม่รู้จะทำยังไงก็จำเป็นต้องต้องพูดแล้วปกทงพูดความจริงออกไปมันก็ไปกระทบอย่างอาตมาบอกว่าอารหันเกะมันก็ไปกระทบจริงๆไปกระทบอรหันเก้จริงๆแล้วเขาก็หลงอยู่จริงแล้วเขาก็ยึดจริงๆว่าแกะที่ไหนเนี่ยแกนะั่นแหละเกะเขาก็ว่าเราเกะเราไปทำยังไงอ่ะ เขาก็ต้องโกรธเราเพราะเขายังมีใจโกรธนะถ้าเขาไม่ยึดไม่ติดจริ ง, รงๆเขาไม่โกรธหรอกแล้วเขาจะมีปัญญารู้เลยว่าเทียบได้เลยเอาอย่างงี้ก็ได้จะหาว่าอาตมาอวดดีเลยคนที่เป็นอรหันต์นั่นนะคนไหนก็นแล้วแต่มาเอาพระตรปิดกกลางแล้วก็อธิบายแข่งกันมา ข้ออภัยมันเหมือนกับอวดดีแล้วเกินโพธิรักเนะี่ยดีๆนะมีพระไตรปิฎกอะ่ะอัตมายังยังมีโชคเคราะยังไม่รายเกินยังมีโชคยังมีพระไตรปิดกนี่แล้วก็ถือเล่มนี้ด้วยกันนะถือสยามรัฐฉบับเสียามรัฐนี่ตรงกันนะก็ยังใช้ได้ยืนยันกันได้เพราะฉะนั้นคําว่ากายจะหมายความว่าสักกายยะกายในกายหรือกายขตาสติ หรือว่าแม่แต่คําว่าสัมผัสไิโมู8ดด้วยกายก็ตามหรือปฏิบัติอานาปานาสติเข้าไปแล้วอย่าทิ้งลมหายใจใ ห, ใ, หใจนะข้างนอกมันต้องมีเหลือไว้บ้างลมหายใจเข้าต้องรู้ลมหายใจออกตรงรู้นะกายเป็นนั่นนะเป็นกายเป็นกายนะเป็นกองลมอันหนึง่งเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นรูปที่คุณจะต้องทิ้งรูปไม่ได้ เป็นรูปอันหนึ่งที่คุณจะต้องเป็นรูปรูปกายต้องยังอยู่ถ้าขาดรูปกายนะไม่ใช่ปฏิบัตินะเพราะอาณาปานสติต้องไม่ขาดรูปกายต้องมีดินน้ําไฟลมต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายครบแม่หลับตาไปแล้วของคุณจะต้องมีความรู้สึกเข้ามาร่วมรู้ว่าลมหายใจเข้าอยู่น้าลมหายใจออกอยู่น้าซึ่งมันยากมากเลยที่คนจะรู้ พายุคนพระพระุทธเจ้าท่านจำนวนน่ะคนมานั่งหลับตาอยู่ในป่ากันหมดแล้วท่านสอนคนก็สอนในปา่าอยู่ตอนนี้แลจะไปฆ่าแกงคนในปา่าได้ยังไงก็ต้องอนุโลมเข้าไปบอกเออแม่อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีไอ้ก็ดีก็ดีนี่แหละตัวดีแหละอยู่โคนป่าก็เถอะอยู่โคนของไม้ก็เถอะก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่อยู่โน่นมาอยู่บ้านก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ จ ร, จริงๆก็ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องออกโคดไมออกป่ารหรอกปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วแต่ตอนนั้นมันอยู่ป่าอัตนาแม้คุณจะอยู่ป่าก็ดีภาษาบาลีท่านเรียกว่าวาอลัญวาลุขมูลวาอะไรเนี่ย อ, อ, อยู่วาเนี่ยก็ดีถ้าไปแปลเป็นำนวนไทยว่า มันหรือวา่าไปว่าหรือแปลว่าหรือไม่หรือว่าหรือว่าหรือว่าจะอยู่อย่างนี้อะอย่างนี้ก็เถอะอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็เถอะหรือว่า อ, Three, าอ vivo, ย่างงี้หรือว่าอย่างงี้อ่าหรือก็ตามกันแล้วแต่เนี่ยมันเป็นคํำสร้อยที่อบอกว่าออย่างงี้ก็หรืออย่างงี้ก็เถอะอย่างนี้ก็ชังหรือย่างนี้ก็ตามอย่างงี้ก็ดีหรือว่าอย่างงี้ก็เถอะมันมาแล้วมันหลงแล้วมันอยู่ในป่าแล้วนี่ก็เถอะต้องทําอย่างงี้นะต้องปฏิบัติอย่างงี้นะเนี่ยให้รู้สัพพกายะปัจสังเวที ให้รู้จักระ ง, งับปัดสัมพยังให้ได้และก็รู้มันไม่มีอุปกิเล ข, ขึ้นมาเป็นปิตเป็นสุขอะไรก็ต้องระ ง, งับลงไปอีกจนจิตสังคขารังนี่มันเหลือแต่แค่อภิปะโมทยังจิตตังสึ่งที่สูงสุดนี่สรุปอานาปานาสติ16บหให้แล้วนะเนี่ยแล้วอยู่ในกายขตาสติด้วย นี่คือเจตานาที่จะเอามาอธิบายในวันนี้น ะ, ะนนสรุปแล้วอีกทีหนึ่งการประดิปรธรรมทุกวันนี้เข้าใจคำว่ากายคำเดียวไม่ได้เห็นไหมไม่สมบูรณ์ไม่ท่วนเจงและยิ่งไปตัดรอบเลยกายคือดินน้มไฟลมแท่งก้อนไม่มีส่วนจิตเข้าไปร่วมด้วยจบนิพพานไม่มีในโลกนี้แล้ว เข้าใจอย่างนี้จบเลยนี่คือสิ่งชี้บ่งได้ชัดว่านิพพานหมดไปแล้วจากประเทศไทยหรือจากาศาสนาพุทธประเทศไทยนี่แหละเป็นตัวหลักของโลกาศาสนาพุทธเมื่อประเทศไทยนี่ไม่มีนิพพานที่อื่นที่ไหนจะหานิพพานได้เขายอมรับทั่วโลกนะว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาเมืองไทยอ่ะ ทำไมเขาไม่ให้อินเดียคนต้องพันกว่าล้านก็มาให้แค่60กว่าล้านเนี่ยใช่ไหมแล้วไม่ได้เกิดที่นี่ด้วยพุทธนะเกิดอินเดียนะไม่ยอมรับพุทธที่เมืองไทยอ่ะอ่ามือพมากก่าคนเกือบพอเอ็ะไอพม่พมาก็น้อยกว่าที่ไทยไทยมันก็มากกว่าด้วยแล้วยังมีพลเมืองนับถืออยู่ตัก้า้าเปอีกต่างหากเมืองไทยอ่ะและก็ยังล่ำยังเรียนยังมีหลักฐานอะไรอะไรกันอยู่ นะเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นไปได้นะ่วนะก็จะสืบทอดอันนี้ไปอัตอมาถึงสรุปลงไปว่าเมืองไทยเป็นเมืองชมพูทวีปจะสืบสารพุทธศาสนานี้ต่อฮอนตัมบัตมิไปก็จะมีมนุษย์มนุษย์ชมพูทวีปมนุษย์คือค น, นที่มีจิตเป็นชมพูทวีปได้คือรู้จักว่า อะไรมันองค์ประชุมจะเรียกว่ากายก็ได้คือสุรภาโวสิ่งที่ปรากฏประชุมกันอยู่อย่างสมบูรณ์ในสุรภาโวองค์ประกอบที่ครบครันเต็มรูปแก่กล้าสุรภาโวมีอาการ32มีเหตุปัจจัยต่างๆสัมพันธ์ร่วมกันอยู่มีสติมันโตสามารถที่จะใช้สติเรียนรู้สัมผัสแล้วก็ทายาทปฏิบัติได้ชัดเจน รู้จักสติปัฏฐานสีรู้จักอานาปานาสติรู้จักกายกตาสติรู้จักสติสัมพัสชงรู้จักจัดการทำให้เป็นส ม, มาสติไปในขณะปฏิบัติไปตลอดเวลาทำงานได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักธรรมงองศาสนาพุทธอย่างสมบูรณ์แบบเพราะงั้น ขณะนี้เมืองไทยที่นี้ขยายออกไปกําลังมีกรรมกิริยามีพฤติกรรมนะมีพฤติกรรมทางด้านธรร ม, มะเนี่ยนะเมืองไทยเรามีปาดทางศาสนาพุทธชื่ออะไรรู้ไหมที่เขายกย่องกันนับถือกัน ประทังศาสนาพุทธโอ้โหได้ดุษดีบัณฑิตนี่เป็นสิบสิบใบดุษฎี บ, บัณฑิตกิติมศักดิ์ใครเจ้าคุณประยุทธ์และตอนนี้สังคมโลกของเรากำลังมีนายกประเทศไทยชื่อประยุทธ์นะประยุทธ์นี่คือสองคราม เพราะฉะนั้นทางด้านธรรมมาธมารรมะสงครามนี้เมืองไทยมีตัวตั้งแล้วคือเจ้าคุณประยุทธ์มาตั้งนานแล้วมาถึงวันนี้ทางโลกก็มีนา ย, ยกไทยชื่อประยุทธ์กำลังทางานเน่บนอยู่นี่ว่าผมอยากลาออกทุกวินาทีพลเอกประยุทธ์ผมอยากลาออกทุกวินาที แต่มันลาออกไม่ได้เพราะมันบอนเข้าเทาวแล้วมันต้องเตะเพราะยังไงยังไงก็ต้องทุดโกมันรู้อยู่ว่าเราก็พอมีฟิมือก็ต้องทำอีกตาา่างหนึ่งบอกว่าผมจะอดทนให้ถึงที่สุดเพื่ อ, อประเทศไทยเพื่อจตามาว่าฟังคำพูดของคุณประยธ์แล้วก็เห็นใจท่าทีลีลาของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของปุริสภาวะ มันเป็นเป็นภาวะที่ไม่ได้งอได้งอนไม่ได้มานั่งเล่นเละเล่นเรียมอะไรก็ใครถ้าใครอ่านออกเป็นปุริสภาวะไม่ใช่ภาวะของอิทธิภาวะเลยอิทธิภาวะก็อย่างที่นายกทั้งหลายแหละเล่นมานแหละโดยเฉพาะอย่างดูก็ดูจากยายปูน่ะนะชัดเจนอิทธิภาวะแท้นะวิมมนะันทัชน่ะโอ้ยสุด เมืองไทยนี่มันสุดทุกอย่างแล้วมีอะไรครบบริบูรณ์ให้ดูขนาดนี้ยังดูกันไม่ออกแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วไม่เรียนกั น, นเมืองไทยนี่จะรู้สัจจะพวกนี้อีกเยอะตอนนี้วาระแห่งเหตุปัจจัยเข้ามาเยอะแล้วปีนี้เป็นปีเนี่ยห้าเจดเนี่ยเป็นปีที่เริ่มตน้นปีหน้าก็จะดูดีขึ้นละ คงกระเทืองขึ้นหลายๆคนก็ยังยึดมั่นถือมั่นก็ยังกิเลสนาก็ยังจะแย่งจะชิงยังจะแมไม่รู้จะสร้างบาปเพิ่มเติมไปอีกทําไมถึงไหนนะไม่ทําอะไรก็หยุดเฉยๆก็ยังดีนี่ยังไม่ยอมอกระดุกกระดิกออกมายังงูย่างงี้ไอ้กระดุกกระดิ๊กระดุกกระดิ่งนี่แหละอิทธิภาวะ มันไม่เป็นเอกกระบุรุษสักทีเราก็ช่วยๆดูกันไปแล้วก็ทาช่วยกันคนละไม้คนละมืออัตมาก็พูดไปตามประษาจริงใจตามภูมิแล้วบอกกล่าวให้รู้สัญญาณให้สัญญาณให้รู้ให้ได้วะแล้วก็ควรทำอะไรอะไรให้มันเสริมส่งมันเป็นวาระแต่ละคออาําออกมาเห็นใจเห็นใจคุณประยุทธ์พเอกประยุทธ์พูด ก็ปล่อยให้ทำขนาดนี้ก็คิดถึงวาระตามๆที่เ้าอนุโลมมาขนาดไหนชุมนุมประท้วงก่อนแล้วเ้าคุมเกมมาตั้งหลายปีนะเ้าเป็นพบบธรรมบอเป็นผู้มีอานาจที่จะปฏิวัติปรัฐประหารได้มาตลอดก็ไม่รู้กี่ปีมาก็รอรอรอแล้วรอแล้วรอแล้วรอแล้วรอเล่าอ่าร้องเพลงรอของเจ้าน้อยมันจนกระทั่งมาถึงเววาระเนี่ย อาตมาเดาใจนะว่าคุณประยุทธ์คงไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมกูปฏิวัติได้เร็วขนาดนี้วะอาตมาว่านะคุณประยุทธ์คงงงงงเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่ปฏิวัติแล้วเลยเนียง่ายดายอะไรกันขนาดนั้นน่ะถ้างั้นผมก็ขอยึดอำนาจขอควบคุมอำนาจใช้คำว่าควบคุมอำนาจถ้าคุณไม่ยอมลาออกผมก็ขอควบคุมอานาจ โอ้โหนังกำลังภายในเนี่ยมันจะไปสร้างยังไงวะเนี่ยวะมันจะสร้างอาวุธรูปไหนรูปนี้อะารูปอาวุธเฉียบขาดอันเนี้ยเบาไรร่องรอยไม่มีกระบี่เลยตัดชั่วเลยหายวับตายจ่อยเสร็จเรียบร้อย ไม่ต้องไปบอกเอารถถังออกมาไม่ต้องไปเอาทหารออกมาไม่ต้องอะไรเลยจบแล้วทุนเกล้าเลาะเมียมาสำเร็จคอสชก่อนแล้วค่อยตั้งนายกอีกทีพอเป็นไปนกไปแล้วเหตุพวกนี้ไม่ได้บังเอิญเหตุแม่นพวกนี้คุณประยุทธ์เองสร้างเองไม่ได้ด้วยคนเดียวไม่ได้พวกเราเนี่ร่วมกันทั้งนั้นนะ แม้แต่ตัวฝ่ายแดงก็เป็นตัวช่วยให้ใหเราทำมันเสริมส่งมันเสริมส่งกันอยู่ด้วยและเมื่อเกิดผลมาเป็นอย่างนี้เมืองไทยจะเป็นเมืองแบบอยากการปฏิวัติอันนี้จะเป็นเรคคอร์ดเบสเรคคอร์ดสูงสุดที่จะไม่มีอะไรลบลางสถิตินี้ได้ง่ายๆเอาสิเอาอย่างเล้ไป ปฏิวัติแบบนี้ให้ได้คุณรัตระหานแบบนี้ให้ได้อย่างนี้บ้างใครก็อยากได้ปฏิวัติแบบนี้ใครก็อยากทำเ ก, เ, กเก๋จะตายเท่จะตา ย, ต, ายตอนนี้ออกไปสังคมต่างประเทศไม่มีใครว่าไงเลยตอนนี้แล้วคุณปะยุ่งก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากพูดความจริงก็จบพูดให้มันหมดก็แล้วกันยิ่งจะชัดเจนทุกคนมีปัญญาคนเมืองนอกเมืองนาเมืองไหน ก, ก็รู้ทั้งนั้นแหละ มันสุดสวยเลยสุดสวยเลยเพราะยังโอโห่ตอแยกันอยู่นั่นโอโหเนี่ยจะปลุกผีอะไรอภิอะไรนะอ่ะอภิวันอะไรเนี่ยเนี่ยอมา ย, ยังจำสุ่มเสียงก็อยู่ได้คุณป้าอะไร ะ, ะไม่พูดดีกว่า พี่วันโอ้โหแล้วยังจะไปอะไรกันอยู่เกินท่านเมตตาแล้วนะท่านให้โกรธนะจะออกยังไงกันอีก อ, ะ, อะพออีกสีนาทีให้ท่านสรุ ครับที่จริงมันเกินมาสิบนาทีเมื่อกี้เนี่ยครับสดสวยเลยอ่ะนะฮ ะ, ะนี่คือคำสรุปที่พ่อท่านได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้พาอครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอิทธิภาวะกับปุริสภาวะค่อนข้างจะชัดเจนะนะนะเราได้คำมันต้องเรียนรู้สองอย่างนี่แหละในภาวะอุปาทายรูปยีบสี่เนี่ยนะเมื่อเริ่มต้นตามหูจมูกลิ้นกายห้าและมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอีกห้า ซึ่งสัมผัสนี่มันรวมไปหมดเลยเพราะยังถือไปกึ่งหนึ่งมันยังถือว่ามันมีสองอันนเก้ามันมีปฏิกิริยาของเหตุปัจจัยรูปกัมนามพวกนี้แล้วเสร็จมันก็เป็นภาษาทรูปโคจรรูปจึงเกิดภาวะขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ทำให้อิทธิและปุริสนี่แหละสมบูรณ์รูปต่างต่างก็คือตัวขยายครับ ในส่วนที่เป็นอิทธิภาวะเมื่อสักครู่นี้เพ่อครูพ่อครูพูดถึงเรื่องภิกษุณีและการกําเนิดภิกษุณีที่พระ อ, อนนท์ขอความเท่าเทียมขอทราบความเท่าเทียมเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าการบรรลุธรรมสามารถเท่าเทียมกันได้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีการ บวชภิกษุณีนั้นจะต้องมีคุรุธรรมทั้งหมด8ประการเท่าที่พิเคราะห์แล้วเนี่ยแประการเนี่ยเป็น8ประการที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องรูปธรรมซึ่งรูปธรรมเนี่ยสมมติสัจจะเนี่ยไม่สามารถเท่าเทียมกันได้แต่นมามธรรมเนี่ยสามารถเท่าเทียมกันได้ตั้งแต่ข้อแรกที่มีกล่าวถึงเรื่องออจะต้องเคารพภิกษุ แม้ว่าภิกษุนั้นจะบวชยาวนานมากมายแม้ภิกษุณีนั้นจะบวชยาวนานมากมายปนนนนย า, น, า, น, า, ายปนใดก็ตามจะต้องเคารพภิกษุเพียงอย่างเดียวอะจะต้องกราบไหว้ภิกษุเพียงอย่างเดียวอ่ะจะไปทําอย่างอื่นไ ม, มไม่ได้ในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีใช่ไหมครับอ <8 S 1> <บ>๋อใช่ครับผมผมไปค้นในในนี้แล้วจะไปเปิดในนี้อะฮะไม่มีนนี้มตันปิดที่อ่ะนะ่ เรายกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจความหมาย<ร>ของปัจ<ำ>ุธรรม8คดุธรรม8แปลว่าทำอันหนักหมายถึงข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุณีอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้สตรีอุปสมบทได้โดยต้องปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดชีวิต8ประการหนึ่งแม้บวชมานานปานใดนะก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้นสองต้องจำพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุอันนี้ที่พ่ะครูพูดถึงแต่ไม่ได้ แจกแจงแต่ละข้อสองต้องจําพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุนี่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันทางกายภาพอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเนาะประการที่สมต้องไปถามวันอุโบสถและรับฟังโอวาทจากภิกษุทุกเกือกเดือนอันนี้ภิกษุณีประการต่อไปต้องปวรารณาในสงฆ์สองฝ่ายหลังจำพรรษาแล้วและเข้าต่อไปต้องประพฤติมานัดในสงฆ์สองฝ่ายเมื่อต้องอบัตติหนัก และข้อที่หต้องเป็นศิ k a r m นาสองปีก่อนจึงขออุปสมบทในสองสองฝ่ายได้และข้อที่เจต้องไม่บริพาทด่าว่าภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆข้อสุดท้ายจะว่ากล่าวตักเตือนภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุสามารถว่ากล่าวตักเตือนภิกษุณีได้เนี่ยเขาถือว่าพวกนี้มันกดกดขี่ค่มเพงแล้วนั่นแหละตักเตือนข่มเงเนี่ยเอาเปรียบแล้วแล้วไปตั้งกฎเกณฑ์เอาเปรียบไว้เนี่ยเขาเขาว่า แต่นี้คือข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้ า, า, จาแต่ละออาตมาต ข, อขอตั้งข้อสังเกตไว้อันหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยอาตมาก็ขอส่งกระแสนี้ไปตามลมให้รู้ว่าภิกษุณีในเมืองไทยขณะนี้กําลังดิ้นรนจะให้เกิดภิกษุณีแต่แม้แต่ครุครุธรรมแปดในข้อที่ว่าภิกษุณีจะต้องอยู่ในวัดหรือในอารามที่มีภิกษุเท่านั้นใช่ครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้นี่ภิกษุณีไม่ได้อยู่ในวัดหรืออารามที่มีภิกษุวัดที่เป็นมีภิกษุเป็นผู้บริหารบริหารเองนะเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาส เ, เ, เองบริหารเองเพราะฉะนั้นครุธรรมแปดข้อนี้เนี่ยขอส่งสัญญาณไปว่าให้จัดการซะให้ถูกต้องให้ดีๆถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่ครบครุธรรม8ปดในข้อ ผมไปประชุมพุทธโลกที่อินเดียโดยมีดาลเลลามะเป็นประธานเป็นผู้นําภิกษุณีแต่ละประเทศประเทศขึ้นเวทีทีไรก็จะเรียกร้องสิทธิ์ภิกษุณีเรียกร้องสิทธิภิกษุณีแล้วก็เหวี่ยงเรื่องไปทางดาลเลย์ลาม ะ, อะพอถึงท่านดาลเลลามะขึ้นเวทีท่านก็พูดคําก็ภิกษุณีสองคำก็ภิกษุณีสงสัยเวลานอนหลับฝันก็เห็นจะฝันแต่เรื่องภิกษุณีนะนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ทันทีเลย ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะทำดีเลย น, นะแต่นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปเป็นได้อย่างไรจะ <c oughs> คือหมายความว่าท่านก็พยายามพูดคือปกติอิทธิภาวะเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกร้องสถานะมากกว่าที่จะสร้างสภาวะสังเกตดูเถ อ, อเรียกร้องสถานะมากกว่าที่จะสร้างสภาวะแต่บริสภาวะเนี่ย จะเรียกร้องการสร้างสภาวะมากกว่าที่จะเรียกร้องสถานะอันนี้คือความแตกต่างกันเหมือนอัตมาไม่เลยรองสถานะอะไรครับผมสร้างสภาวะแต่สร้างสภาวะท้าดวนอธิบายพระตรีมิตรกันเลยทีประมาณนั้นเป็นต้นนะนะวิธีวิตุทธสภาวะก็คุณแรงท่านไม่มีดกพูดเบาผู้บงเบาดังอครับผมจะเป็การท้าทายไม่ครับผมก็อ่ ถ้าคิดว่าเป็นคําท้าทายก็ขอถอนคําพูดก็แล้วกันแต่เชิญชวนนะนะใครก็ตามที่เป็นพระรหันต์เนี่ยเอาพระไตรปิฎกมากลางและอธิบายดูสิว่าจะเป็นประการใดและจะรู้ว่าไผเป็นไผทำน้องนี่เป็นต้นก็ต้องกราบขอบคุณพ่อครูวันนี้เพชรเม็ดงามอีประการหนึ่งซึ่งพวกเราควรจะต้องเข้าใจก็คือเรื่องอเรื่องอปิติกับสุขมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยบางทีบางครั้งเราแยกระหว่างพารณนาปิติกับสุขออกจากกันได้ยังยากเย็นเหลือเกินเพราะจริงๆสุขเนี่ยจะประณีตกว่าปิติปิติเนี่ยถ้าปิติหยาบๆานนี้ไม่ประนีตอยู่แล้วเราจะต้องละปิติหยาบๆไปสู่ปิติละเอียดวันนี้ฟังจากพ่อครูได้เขาอาธิบายว่าแม้แต่บุคคลผู้มีคุณธรรมสูงก็ยังคงมีปิติขั้นปรณนาปิติอยู่ด้วยเป็นอาศัย อันนี้เป็นเรื่องส่วนอนาปนาสติกับกายะกายคตาสติเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยกันเพราะครูอ ธ, ธิบายว่าอนาปนาสติเนี่ยหมายถึงโพชฌงเจตส่วนกายะคตาสติเนี่ยให้หมายถึงมรกองแปดอันนี้เป็นประเด็นที่สาคัญอย่างยิ่งประเด็นที่พวกเราได้มีโอกาสรับรู้เป็นประเด็นสืบเนื่องอยู่ประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องบุญกับกุศลบุญเนี่ยเป็น ปรามัดสัจจะบุญบาปเป็นปรามัดสัจจะส่วนกูศนนะักกูศนเนี่ยเป็นสมมุติสัจจะผมได้ฟังพ่อครูจากเทปเก่าๆ เ, เพราะว่าที่อ้อมน้อยเนี่ยจะเปิดเทปพ่อครูวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะนะกระจายเสียงเต็มบริเวณรอบบริเวณมีอยู่ประการหนึ่งพ่อครูบอกว่าความเร็วกับความชั่วเนี่ยมีความแตกต่างกันคือความเร็วเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องภายใน ความชั่วเป็นเรื่องภายนอกผมผมจาถูกใช่ไหมครับพ่อครูครับความเลวเป็นเรื่องภายในความชั่วเป็นเรื่องภายนอกความเลวเนี่ยเ ป, เ, เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวความชั่วเป็นเรื่องส่วนรวมประมาณนั้นยมลองไปคิดต่ออันนี้เป็นคำของพ่อครูที่เทศไว้นานแล้วอาจมาเก็บตกมาจากการฟังเทศเมื่อสัก30สิปียี่สิปีกี่สิปีก็สุดแท้แต่ ความเลวเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเราจะให้มีไม่ได้เลยแต่ความชั่วเนี่ยบางทีเป็นเรื่องสมมติภายนอกบางทีบางครั้งเนี่ย อ, อย่างเช่นกุศนักูศเนี่ยเป็นเรื่องอนุโลมได้แต่บุญบาปเนี่ยเป็นเรื่องอนุโลมไม่ได้เลยจะต้องจัดการบาปเพียงอย่างเดียวอะอะไรทำนองนี้จัดการบาปเมื่อไรบุญก็หมดไปโดยปริยายตามที่ได้กล่าวมาก็ต้องกราบขอบคุณพรอครูที่นำเสนอเพชรเม็ด งามมานะ่ใหม่ๆให้อยู่เรื่อยๆกระผมเองก็ตามเก็บนะได้บ้างไม่ได้บ้างกราบขอบคุณด้วยความเคารพครับกราบขอบคุณหมู่สองเจริญธรรมสิขามาและกระวาัดยอดเยยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลแปดผู้ปฏิบัติอุโบสถศีลก่อยท่านังหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมเจริญก้าวหน้าในวิถีอริยธรรมตลอดการเป็นนิเทิน สัปดาห์หน้าพ่อครูยังอยู่แสดงธรรมนะเห็นปัจชาดินไทยบอกมา